เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสนทนากันในเรื่องของวัตถุปะมะสูตครคำว่าวัตถุปะมะสูตรเนี่ยพสัสตรที่ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้าวัตถุในความหมายนี้แปลว่าผ้านะปะมะหมายคำ อ, อุปมาพัสูตรนี้เป็นพัสูตรที่เจในมัชฌิมานิกายมูลปันธาตคือพัสูตรนี้พระบรมศาสดา ตอนนั้นประทับอยู่ที่เชตวันอารามของท่านอนาถปาิณิกะเศรษฐีใกล้กรงสาวสถีพุทธเจ้าก็รับสั่งภิกษุบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับอาราธนาสนองพรดดำหลัดแล้วพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างว่าช่างที่ย้อมผ้าอาจทำผ้าสกรปรกเปื้อ น, นใส่ลงไปในน้าย้อมสีก็คือหมายความว่า ผ้าที่สกปรกเนี่ยเมื่อเอามาใส่ลงในน้ําที่ย้อมสีนีก็คือใส่สีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพู ล, ลงไปเนี่ยผ้าผืนนั้นก็จะเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดีก็คือมีสีที่ไม่สดใสเหตที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะเป็นผ้าที่ไม่สะอาดเมื่ชั้นใดพุดทธเจ้าก็บอกว่าชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อจิตเศร้าหมองด้วยราคาโทสามโมหะหรือเศร้าหมองด้วยอุปกิเลส16เนี่ย ที่มันจอนมาแล้วเนี่ยก็ทุกคติมีอันหวังได้ฉะนั้นอันนี้ก็เลยกล่าวว่าเนี่ยที่จิตเศร้าหมองด้วยอบากิเลสทั้งสิกมากุ้งรุมในใจแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาก็เป็นการทำบาปและบาปเหล่านี้จะนำสู่อาบายทุขติวินิบาตในโลกอย่างไงประการต่อมาว่าช่างย้อมผ้าอาจทำผ้าสะอาดหมดจดใส่ลงไปในน้าย้อมสีก็คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพู ผ้าพื้นนั้นก็เป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะผ้าสะอาดเม้ยช้นใดเมื่อจิตที่ไม่เศร้าหมองไม่ถูกกุ้มลุมด้วยอุบ ก, กิเกรสิบแล้วเนี่ยสุขติก็เป็นอันหวังได้ฉนั้นนี่าจากพระสูตรเนี่ยขยายตรงนี้นิดหนึ่งในพระสูตรนี้พระเจ้าแสดงขึ้นมาเพื่อต้องการ สร้างหรือเพื่อแสดงผลของความเพียร น, นะผลของความเพียรว่าผลของความเพียรบอกว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ผุดผ่องเหมือนผ้าขาวตามปกติเราจึงสามารถย้อมให้เป็นสีต่างๆได้ก็หมายความว่าเหมือนผ้าขาวเนี่ยจิตเหมือนผ้าขาว ฉะนั้นเราจะย้อมผ้าขาวให้เป็นสีแดงก็ได้สีเหลืองก็ได้สีเขียวก็ได้สีชมพูเป็นต้นก็ได้ใช่หนะหากจิตนั้นจะเป็นธรรมชาติที่เศร้าหมองเหมือนขนแกะดำไม่อาจจะย้อมให้สีต่างๆได้ที่จริงแล้วเนี่ยจิตในผุดผ่องนี่คือคือจิตประเภทไหนคือปฏิสนธิจิตและผวังกัจิตเอ า, าพูดถึงเรื่องของปฏิสนทีจิตและผวังกัจิตเนี่ยอาจาถาท่านขยายว่า จิตผุด พ, พองตามปกติเนี่ยในขณะปฏิสนธิจิตและพองขจิตเนี่ยที่พระเจ้าตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัศสอนแต่จิตนี้เศร้าหมองด้วยอุปกเลส ท, ที่จอดมาที่ใช้คำว่าประพัดสรามีทางพิขเวจิตตังตันจกโคอคันโตเกหิอุปกิเลเสหิอุปกรณิตธันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นธรรมชาติประภัดส แต่เศร้ามองแล้วเพราะอุปกิเ์ส16ที่จรมาก้มรุมเหมถ้าแปลให้ได้แปลออกออกจากศัพท์เนี่ยจะเป็นยังไงก็หมายความว่าเออมีไออวิชชาวิสมาโลภะเป็นต้นเนี่ยมาก้มรุมทําให้จิตนี่เศร้ามองไอ้ทีประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ตรงที่เพราะว่าเพราะปฏิสนธิจิตและผวังกัจิตคืออะไรปฏิสนธิจิตเนี่ยคือจิตที่ทําหน้าที่เกิดในขณะแรกในภพหนึ่งหนึ่งของมนุษย์เป็นต้นเนี่ย นะเทวดาเป็นต้นโดยนั้นมนุษย์เนี่ยเวลาเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกปฏิสนธิจิตที่ยังถือปฏิสนธิครั้งแรกปุ๊บนในนั้นมีจิตเกิดจิตกับรูปเนี่ยถ้าเป็นพวกมนุษย์เนี่ยจิตกรับรูปนีรรปเน่เกิดพร้อมกันเลยเป็นสหชาตะทั้งรูปธรรมและนามธรรม ท, ที่เป็นกาละละใสๆเล็กที่สุดเนี่ยนะที่มีจุดแรกที่เกิดขึ้นมาในคันของมันไดน้นั่นเป็นรูปธรรมในนั้นจะมีทั้งดินน้ำไปลมสีกลิ่นรสโอชาเนี่ย ภาวะรูปแล้วก็ชีวิตรูปแล้วก็จะมีทั้งกายภาวะนะกายยทศัศ10รูปแล้วก็แล้วจะมีกลุ่มในด้านของภาวะภาวะทัศนอีก10ใช่ไหมถ้าใครเป็นหญิงเป็นชายก็มีแล้วในขณะนั้นเน่ยไอสิบรูปดินน้ําไปลมสีกีลดโอชาแล้วก็ภาวะเนี่ยทั้งอิทอธิภาวะหรือปุริสภาวะว่ากันไปหรือชีวิตด้วยแล้วก็วัตถุด้วยวัตถุทัศนกกราบด้วย เช่นมีทั้งกายยะภาวะวัตถุเนี่ไอ้วัตถุตัวนั้นก็คือมีทั้งวัตถุทัศการาดดยมีทั้งดิทาตุดินเกิดแล้วธาตุน้ําเกิดแล้วธาตุไฟธาตุลมมีทั้งสีมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งโอชามีทั้งชีวิตรูปแล้วก็มีหัตถยาวัตถุไม่ต้องมีหัตถยาวัตถุเกิดก่อนเลยนะในขณะนั้นเน่ยเล็กที่สุดก็ต้องมีตัววัตถุอันเป็นที่ตั้งของจิตต้องเกิดก่อนแล้วมีภาวะด้วยมีชีวิตด้วย ชีวิตรอบด้วยสรุเบสิก็คือมีกลุ่มเนี่ยกายภาะวะัตถุ3กลุ่มกลุ่มละสิรูป10รูปเนี่ยแหละมีทั้งกายะประสาทเกิดแล้วมีภาวะความเป็นหญิงเป็นชายเกิดแล้วมีทั้งวัตถุคือมีหาทายวัตถุกเกิดแล้วสามกลุ่มเนี่ยนะนี่คือรูปธรรมเกิดพร้อมกับอะไรพร้อมกันกับปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตก็คือกลุ่มนามธรรมก็คือมีทั้งปฏิสนธิจิตปฏิสนธสนิเวทนา ปฏิสนธิสัญญาปฏิสนธิสังขารปฏิสนธิวิญญาณน้มาขันสี่เกิดพร้อมกันในขณะนั้นเลยเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันแล้วก็มีเรี่ยวประขันรวมไปเสร็จขันห้าเนี่ยถือปฏิสนธิในขณะที่เล็กที่สุดในขณะนั้นทีนี้พูดถึงในด้านของเศร้าหมองหรือไม่เศ้าหมองได้พูดถึงนามธรรมคือปฏิสนธิจิตรวมทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิเนี่ยตรงนั้นด้วย ให้ตัวนามมาทําตรงนั้นตัวปฏิสนธิจิตตรงนั้นในขณะแรกอย่างนั้นเขาเรียกว่าประพัฒสละคือเป็นประพัฒสอนเพราะอะไรเพราะไม่มีกิเลสก้มลงมนะีไม่มีกิเลสเกิดเลยในขณะนั้นเพราะเป็นวิบากจิตเป็นแล้วต่อมาอีกขณะหนึ่งคือขณะจิตเกิดอุ ป, ปาทะเกิดขึ้นถีติตั้งอยู่พังคะดับใช่ไหมแล้วอีกขณะหนึ่งถัดมานั้นน่ยไม่ใช่ปฏิสนธิแล้วเขาเรียกผวังขจิตผวังขจิตนี่ก็แปลว่าอะไรเนี่ย จิตที่เป็นองค์แห่งภพรักษาภพรักษากระแสของนามธรรมและรูปธรรมกระแสของขันห้าให้มีการเกิดดับสืบต่อโดยไม่โดยไม่ตายโดยไม่จุติโดยไม่ดับก็คือสืบต่อไปเนี่ยองค์เนี่ยไอตัวภวังในะจิตตัวเนี้ยท่านตราบใดยังเป็นภวังไประยะหนึ่งตราบใดนั่นแหละเป็นเป็นประภัฒสาระก็จะเป็นประภัฒนสอนเนี่ยจิตตรงนี้เป็นจิตที่ใสใสมากผวังใสมาก ไม่มีขุนมัวด้วยอุปกิเลสมีเอาวิปอภิชาวิสมาโลภะเข้าไปเกื่อปนเลยในขณะนั้นมองเห็นไหมพอจะเข้าใจาประเด็นนี้ไหมในประเด็นคือความใสในขณะนั้นสรุปแล้วเนี่ยอัิยาสัยเราเป็นคนขี้โรคขี้โกดขี้หลงทั้งหลายเนี่ยมันมาจากอะไรกิเลสมันจอดมาทีหลังนน เ, ลเนี่ยมันจอดมาเลยเนะเป็นอคันตุกะมันจะสาบถึงครับว่าอคันตุเกหีเนี่ยเป็นอคันตุกะเป็นแขกที่จรมา เศร้าหมองด้วยอุปกิเลส ท, ที่จอนมามีอภิชาวิสมะโลภะเป็นต้นทีนี้อัตถกถาธรรมบทระบุว่าจิตผุดพองคือผวังและจิตเท่านั้นเมื่อสักครู่ามาจากอัตถกถาคำวสูตรอัตถกถาคำวสูตรนี่เอาทั้งปฏิสันธิด้วยเอาทั้งภวังและจิตด้วยแต่ในอัตถกถาธรรมบทบอกว่าไม่เอาปฏิสนันธิเอาเฉพาะผวังอันนี้เป็นมติที่พูดไปพูดมาก็ไม่ต่างกันเนี่ย ที่สนธิมีขณะเดียวขณะที่สองตามมาก็เป็นผวังกระจิตฉะนั้นพวกเราที่ตอนนี้ที่ยังไม่ตายเห็นปุ๊บแล้วก็ลงลงสู่ผวังได้ได้ยินปุ๊บก็ลงสู่ผวังไว้ได้กินก็ลงสู่ภวังได้ฉนั้นตัวผวังจึงมีอิทธิพลต่อกระแสชีวิตของสัตวโลกมาถ้ายังมีผวังดําเนินรักษาอยู่ตาบใดแปลว่าชีวิตนั้นยังดําเนินไปอยู่เข้าใจไหมฉะนั้นผวังเนี่ยจะต้องเกิดดับสืบต่อตลอดไหลมากจริงๆเยอะมากฉะั้น คนบางคนเนี่ยชีวิตอยู่ด้วยแบบแบบอยู่กับผวังลงผวังบ่อยไม่ค่อยกะตือรือร้นอะไรลงแต่ผวังตลอดลงแต่ผวังตลอดเนี่ยก็คือขึ้นชาวนานิดหน่อยนองนั้นก็อยู่กับผวังอย่างเช่นคนมีโมหะมีกําลังอะไรก็แล้วแต่นี่เนี่ยใช้ผวังเปลืองมากวันๆหนึงก็อยู่กับผวังไม่ค่อยกระตือรือร้นอะไรจิตใจแบบสบายๆตามธรรมชาติเนี่ยอยู่ในวตฏจักรเนี่ยวางเนี่ยนะ เป็นทุกขษัตริย์อย่างหนึ่งนะเป็นธรรมที่ควรกำหนดรูด้โดยรายละเอียดคืออย่างนี้ในอัตกรดาษธรรมบทบอกว่าใจปกติคือผวังกจิตเนี่ยวังกจิตน่ะไม่ถูกประทุสส้ายอุปมาเหมือนน้ำที่ใสแต่เศร้าหมองมีสีเขียวสีแดงสีดำและสีชมพูเป็นต้นที่จอนมาดงนั้นจึงจำแนกเป็นน้ำเขียวเป็นต้นที่จะชื่อว่าน้าใหม่ก็ไม่ใช่ จะชื่อว่าเป็นน้ําใสตามเดิมนั้นก็ไม่ใช่ชั้นใดแม้จิตนั้นก็ถูกโทษมีอภิชาวิสมะโลภะเป็นต้นน่ยความโลภที่ไม่สมบูรณ์ที่จรมาปุถุสลายแล้วดังนั้นจะชื่อว่าจิตใหม่ก็ไม่ใช่จะชื่อว่าเป็นพระวังกัจิตเดิมนั้นแหละก็ไม่ใช่ชั้นใดพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัด ส, สอนแต่จิตนี้เศร้าหมองด้วยอุปกิเลที่จอนมาดังนั้นธรรมชาติจิตเนี่ยจริงๆมันเกิดดับสืบต่อเราจะไปบอกว่ามันเป็นจิตใหม่เอา้า มันก็สืบมาจากอันเดิมน AH ั่นแหละก็เหมือนกับชีวิตเนี่ยเหมือนว่าหมิงเนี่ยตอนเป็นเด็กกับหมิงคนเนี้จะไปบอกคนใหม่ก็ไม่ได้จะบอกว่าคนเก่าก็ไม่ได้แต่มันสืบมาไหมสืบต่อมาเนี่ยเหมือนกันโลกธรรมก็เหมือนกันแต่จริงๆจะบอกคนเก่าได้ไงคนเก่ามันเล็กกว่านี้นอนบนเบาะจะบอกว่าเจะบอคนใหม่เลยทีเดียวก็ไม่ได้อีกเพราะสืบอะไร มันสืบต่อมามันเกิดจาบสืบต่อมาเหมือนเม็ดมะม่วงที่ทิ่มไปในดินกับเม็ดมะม่วงที่มันออกมาบนต้นเนี่ยเออมันจะบอกว่าเม็ดใหม่เลยทีเดียวก็ไม่ได้บอกเม็ดเก่าเลยทีเดียวก็ไม่ได้แต่มันก็สืบต่อมาแล้วลักษณะแบบนี้อันนี้อุปมาณะนี่เป็นเนี้ทีนี้เมื่อเช้าใช่ไหมก็พูดกันเรื่องทุกขติที่มีสองความหมาย มาจากคำปฏิบัติอันเป็นทุกข์มาจากคำว่าขมนนังประวัตินังคติหรือทุกขขาคติทุกขติเนี่ยมาจากศัพท์นี้การปฏิบัติอันเป็นทุกข์นะเขาว่าทุกขติเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่บอกถึงผลคือการไปลงอบายทุกขติวิปบตินรกอย่างเดียวเนี่ยแต่การปฏิบัติอันเป็นทุกข์ก็จัดว่าเป็นทุกขติแล้วประการที่2การปฏิบัติที่น่ารังเกียรรังเกียรนก็มาจากสาวว่ากุจชิตาคติทุกขติการปฏิบัติที่น่ารังเกียจ นี่ก็เป็นทุกขติโทษศัพท์เนี่ยมีความหมายว่าทุกทุกเนี่ยทุกความหมายมีความหมายว่าทุกหรือแปลตรงไปก็แปลว่าน่ารังเกียจคติศัพท์นี่มีความหมายว่าการปฏิบัติตามความหมายนี้นะการความหมายมีมความปฏิบัติการปฏิบัติที่น่ารังเกียจการปฏิบัติอันเป็นทุกเม่อจะคำปฏิก็เรียกทุกคติโทษนี่น่ารังเกียจก็ได้ทุกหรือเป็น เป็นการทุกเนี่ยหรือว่าเป็นเป็นทุกโดยตัวอะไก็ได้คําว่าทุกทรัพท์เนี่ยนะแปลว่าทุกหรือว่าน่ารังเกียจส่วนคําว่าคตินั้นเนี่ยเปแปลว่าการปฏิบัติการดําเดินไปก็ได้การไปถือก็รด้การนำเดินไป ก, ไกา ร, ก, ก, า ร, ก, ารการปฏิบัติอันเป็นทุกหรือการปฏิบัติที่น่ารังเกียจส่วนทุกขมีความหมายว่าทุกคือน่ารังเกียจคติก็หมายถึงการปฏิบัติดังที่กล่าวทีนี้ถ้าแปลอย่างหนึ่งก็แปลว่าคติอันเป็นทุก มาจากคาว่าคันตับพาติคติหรือทุกขาคติทุกขติคติอันเป็นทุกอันนี้แปลว่าที่ไปเลยก็ได้หรือคติที่น่ารังเกียจมาจากกุชิตาคติหรือทุกขติทุกเนี่ยมีความหมายว่าทุกหรือน่ารังเกียจคติในความหมายหมายถึงพบนั้นเออคำว่าคติเนี่ยแปลได้ทั้งหลายอย่างคติเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติก็ได้แปลว่าพบที่จะไปก็ได้ สงความหมายเนี่ยเนติเนี่ยเช่นในขณะปัจจุบันเนี่ยเราปฏิบัติข้อปฏิบัติของเราอันเป็นทุกข์เช่นข้อปฏิบัติที่เป็นไปกับกิเลสเนี่ยเป็นไปกับราคาความกำหนัดเป็นไปกับโทสะคือความโกรธเป็นไปกับโมหะคือความหลงในขณะที่เราดำเนินชีวิตไปอย่างเงี้ยแต่มีราคาโทสะโมหะกุ้งกุมอยู่อันนั้นเขาเรียกปฏิบัติหรือยังปฏิบัติหรือยังนี่ปฏิบัติแล้วนี่เขาเรียกปฏิบัติ อย่างเนี่ยชวนพูดว่หมิงลุกขึ้นมาเดินด้วยความโกรธตึกๆๆๆไปนั่นเขาเรียกอะไรปฏิบัติแล้วหรือนั่งเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติอยู่นี่เขาเรียกปฏิบัติอ่านเป็นทุกเนี่ยในปฏิบัติอยู่แต่เกิดความหดหู่ท้อถอยเ ซ, ซ็งซึมอยู่เนี่ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าคติทุกขติเขาเรียกทุกขาคติทุกขติข เนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิบัติอันเป็นทุกข์หรือการปฏิบัติที่น่ารังเกียจเนี่ยนั่งอยู่เฉยเฉยนี่แหละจะปล่อยให้ความหัวถูท้อถอยมันกุ้มรุมเซ็งเบื่อมากนี่นั่งอยู่เนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าการปฏิบัติอันเป็นทุกข์หรือการปฏิบัติที่น่ารังเกียจเห็นไหมเราไปเข้าใจปฏิบัติคืออะไรคืออะไรอ่ะการปฏิบัติของเราเห็นไหมเนี่ยที่จริงนั่งอยู่เฉยเฉยนี่แหละ แต่ถ้าทำกิเลสมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในขณะนี้เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์หรือเป็นการปฏิบัติที่น่ารังเกียจเนี่ยปฏิบัติเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเวลาเราจะเดินไปก็แล้วแต่แต่มีความกําหนัดมีความขัดเคืองลุ่มหลงก้มลุมในใจก็เดินไปเดินมาก็เป็นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์หรือปฏิบัติที่น่ารังเกียจไม่ไป น, นอนดีกว่าว่าเซ็งว่าว้ยนั่นเขาเรียกว่าปฏิบัติอันเป็นทุกข์หรือปฏิบัติที่น่ารังเกียจ เรื่อไปคุยกับคนอื่นดีกว่าเพราะงั้นจะคุยไประบายความเครียดความโกรธความโลภไปนี่เขาเรียกการปฏิบัติที่อันเป็นทุกข์หรือปฏิบัติที่น่ารังเกียจคุณจะนั่งกับพิษตาอยู่เฉยๆก็ได้นั่นแหละคือการปฏิบัติอันเป็นทุกข์ปฏิบัติอันน่ารังเกียจเกิดขึ้นแล้วพราะถไม่มีสุจลิบอยู่ก็คือนั่นแหละปฏิบัติอันเป็นทุกข์หรือปฏิบัติที่น่ารังเกียจเกิดเรียกว่าปฏิบัติดําเนินไปแล้วเขาเรียกการปฏิบัติคุณจะนั่งก็ได้คุณจะนอนก็ได้คุุุณณจจจจะะะะยยยืนนกกก็็็ไไไดดดด้้้คคเิาาออปสวู่ คุณจะก้าวไปถอยกลับแล้วตรงแลเหลียวอะไรก็แล้ ว, แ, ลวแต่เถอะทำกิ จ, จวัตรประจําวันทุงเด่กิ จ, จกรรมของชีวิตนะ่ยแต่มีราคะความกําหนัดโทสะความโกรธโมหะความมืดบอดกุ้มรุมในใจอยู่ตราบใดอย่างนั้นเขาเรียกว่าการปฏิบัติอันเป็นทุกข์มาจะคำว่าขมันนางประวัตนินางคติหรือทุกขขาขติทุกขติเป็นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งมาจะกคำว่าการปฏิบัติที่น่ารังเกียจมาจะาากุำชิตาคติทุกขติกุชิตาคติทุกขติขตขตขตขต การปฏิบัติที่น่ารังเกียจคนอื่นจะไม่รู้เราเลยตัญญาเท่านั้นที่จะไปรู้ว่าตอนนี้เป็นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์หรือปฏิบัติอันน่ารังเกียจเกิดขึ้นในกระแสชีวิตเราไหมอย่างอาจารย์สทานนั่งเขียนหนังสืออยู่นี้เนี่ยเขียนไปกุ้มมากเขียนใหญ่เขียนเครียดมากเขียนอันนั้นเป็นอะไรการปฏิบัติอันเป็นทุกข์การปฏิบัติที่น่ารังเกียจแต่ก็ดูดีๆเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นไหมนะนั่งเขียนหนังสือมีปับ แต่เขียนไปโอ้กำหนัดยินดีโอ้โหหรือนั่งดูดูดูสารคดีดูอุมเพลินชอบใจรอพระก็เกิดเป็นอะไรการปฏิบัติอันเป็นทุกข์และการปฏิบัติที่น้ารังเกียร์พอดูไปเครียดดย้วยเว้ยไอเรื่องนี้เรื่องเครียดมากดูอืมอีกข้าแม่นเลยข่าแม่นเลยอะไก็แล้วแต่เนี่การปฏิบัติอันเป็นทุกข์การปฏิบัติที่หน้ารังเกียรสรุปแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตลอดไหมแต่จะเป็นการปฏิบัติ อันเป็นทุกข์ปฏิบัติอันน่ารังเกียจหรือปฏิบัติอันเป็นสุขหรือปฏิบัติอันไม่น่ารังเกียจถ้าต้องกันข้ามถ้าสุขติสุขติก็มาเลยขมานางังปวตัตตนงังคติเนี่ยนะหรือสุขาขาคติสุขติเลยนั่นกออการปฏิบัติอันเป็นสุขหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือกดฉีดตาคติสุขติการปฏิบัติที่ไม่น่ารังเกียจเนี่ยนี่นะนนะ การปฏิบัติที่ไม่น่ารังเกียจก็คือการปฏิบัติดีมีมีความไม่โลภเกิดขึ้นความไม่โกรธเกิดขึ้นความไม่หลงเกดิมมก ด, มมกดขึ้นในการยืนเดินนั่งนอนทํากิจกรรมในชีวิตต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นเราจะเป็นสุขติหรือทุคติก็เอาสอความหมายนี้ไปจับในชีวิตจริงของเราเริ่มเห็นนี้อย่างว่าอ๋อเราดําเนินชีวิตโดยส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นสุขติหรือเป็นทุคติเป็นทุคติตลอดเวลาเฮ้ยต้ อ, องมงีสุขติบ้างสิ ทีนี้ถ้าเป็นทุกขติตลอดเวลานีมันจะมาว่าอีกความหมายหนึ่งคําว่าทุกขติอันเป็นทุกมาจะกล่าวว่าคันตปภาติคติหรือทุกขาคติทุกขติหรือกุจิตาคติทุกขตินี่ขติอันเป็นทุกหรือคติที่น่ารังเกียจหมายถึงพรบที่ไปสอบรับทันทีตอนนี้พรบที่เราจะไปเรียบร้อย ในชีวิตประจําวันของเราเราปล่อยให้อภิชาวิสมาโลภะความโลภที่ไม่สม่ําเสมอเป็นต้นเดี๋ยวไปขยายเกิดขึ้นในใจความโกรธความพยาบามตรเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วเราก็ยืนเดินนั่งนอ น, ท, นทํากิจกรรมเมืเราไปเนี่ยเป็นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์การปฏิบัติที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นในชีวิตจริงตลอดเนี่ยรออย่าตายนะอย่างเงี้ยอย่าตายด้วยการเนระพอตายปุ๊บเราก็ได้คติอันเป็นทุกข์หรือคติอันน่ารังเกียจรองรับทันทีจากคติทุกขติ เห็ไหมทุกขติเป็นอย่างเนี้มองเห็นหรือยังพอมองมาใกล้ตัวตรงนี้ทําให้มีความรู้สึกเริ่มแย่ลงไหยโอกาสจะได้สุ ข, ขติก็ดูเหตุปัจจุบั น, นเนี่ยว่าเราได้สุ ข, ขติในปัจจุบันไหมทำไมได้สุ ข, ขติได้การปฏิบัติอันเป็นสุขหรือเปล่าหรือการปฏิบัติอันไม่น่ารังเกียจเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเปล่า ถ้าเรายังมีการปฏิบัติที่อันเป็นทุกข์แล้วปฏิบัติที่น่ารังเกียจอยู่อย่างค่อนข้างมีจํานวนมากไม่ต้องให้ใครมาทำนายว่าคติของเราจะไปไหนใครทำนายเองได้ไก็พุทธพจน์ ท, ทำนายไว้แล้วว่าจิตเตบอกว่าจิตเตสังกิริเถจิตเศร้าหมองมี ทุกขติเป็นอันหวังได้ใช่ไหมบอกว่าก็บอกว่ า, า, วาทุกขติเป็นอันหวังได้มาจากอะไรเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้เมื่อจิตผ่องแผ้วสุขติก็เป็นอันหวังได้ใช่ไหมแปลว่าจริงๆแล้วโดยหลักการนะเราได้สุขติทุกขติในขณะในชีวิตจริงกันอยู่แล้วเช่นเราได้ปฏิบัติที่อันเป็นทุกข หรือปฏิบัตินหน่ารังเกียจในปัจจุบันเนี่ยแปลว่าเราได้แล้วใช่ไหมมันเหมือนอย่างนี้นะมันเหมือนการกระทำของใครที่กระทำอยู่เนี่ยที่มันกระทำผิดตลอดเดี๋ยวนี้กระทาผิดว่าเอาให้เห็นชัดเลยนะว่าศาลตัดสินชั้นต้นว่าจะต้องเอาคนนี้ไปขังตลอดชีวิตแล้วโทษยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ คนคนนั้นก็ยังดําเนินชีวิตยอยู่ปกตินี่แหละนะดำเนินเป็นเหมือนเดิมเขาเนี่นยะต่อสู้ก็ว่ากันไปอชั้นที่สองก็ตัดสินว่าต้องขังตลอดชีวิตเลืออีกศาลเดียวครั้งที่สามตัดสินเรียบร้อยเหมือนกันตอนเนี้ยการกระทํำของเราเนี่ยตอนนี้ศาลชั้นต้นตัดสินแล้วว่าจะต้องไปติดหรือไม่ติดเหมันถ้าไปทุกติกหรือคติอันเป็นทุกข์อะเนี่ย หรือก็การปฏิบัติอันเปทุกข์หรือการปฏิบัติท่ารังเกียจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบอกบอกแล้วว่าเรายังไม่ไปตรงนั้นแต่ตอนเนี้การกระทำมันมันสมบูรณ์แบบหมดหรือยังมันสมบูรณ์แบบแล้วกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตมันสมบูรณ์แบบแล้วหายใจในสถานภาพนี้ไปก่อนแค่นั้นเองถ้าลมหายใจขาดเพราะมันช่วงชีวิตมันต้องหมดอยู่แล้วหมดเมื่อไหร่ก็ไปคติพรบที่จะไปเรียบร้อยก็เป็นทุกขติไปและในกระตรงกันข้ามถ้าปฏิบัติเป็น กติสุขติก็คือหมายความว่าการปฏิบัติอันเป็นสุขการปฏิบัติที่ไม่น่ารังเกียจคือศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นอันนี้ได้สุขติอย่างในชีวิตจริงได้เป็นสุขติแล้วเพราะปฏิบัติอันมัอันเป็นสุขเกิดขึ้นตลอดเลยเนีศีลสุขสมาธิสุขปัญญาสุขแล้วการศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็การเป็นการปฏิบัติที่ไม่น่ารังเกียจเกิดขึ้นก็ได้สุขติมองเห็นชัด น, นะอภารตัวนี้ประเด็นหนึ่งนี่ก็คือว่านั่นในความหมายสองนี่หมายถึงพบที่ไป ตามความหมายแรกเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วเนี่ยเศร้าหมองด้วยอะไรเศร้าหมองด้วยกิเลสบุคคลจึงทํากรรมอันเป็นทุกข์หรืออันหน้ารังเกียจด้ดอํานาจของกิเลสใช่ไหมในความหมายแรกเนีฉะนั้นพอเมื่อจิตเศร้าหมองด้วยอภิชาวิสมะโลภะเอ่ด้วยปริพยาบาทเอยด้วยโทสะโกทะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเพราะกิเลสเป็นกุ้มรุมด้วยจิตเศร้าหมองก็ทํากรรมเลยสิเธเนี่ยเดินก็ทํากรรมยืนก็ทำกรรมนั่งก็ทํากรรมนอนก็ทํากรรม ก้าวไปถอยกลับผู้เข่าเหยียดออกแรตรงแลเหลียวกับพิตาอ้าปากกินดื่มเขี้ยวริ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งด้วยจิตที่เศร้าหมองทํากรรมไม่ยังกายกรรมเคลื่อนไหวไหมวจีกรรมเคลื่อนไหวไหมมโนโกรรมเคลื่อนไหวตลอดเวลาการเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้เป็นไปด้วยอำ น, นาจของกิเลสเขาเรียกว่าเป็นการทารํากรรมอันเป็นทุกข์ทำทำกรรมอันน่ารังเกียจ ด, ด้วยอำ น, นาจเขามีกิเลสกุ้มกลมอยู่ อันนี้ความหมายแรกเป็นแบบนี้ก็เห็นชัดว่าถ้าตาบดกิเลสเกิดขึ้นในกระแสชีวิตแล้วยืนเดินนั่งนอนเออทำอยังไงแต่เนี้ยทายัางไงที่จะไม่ให้กิเลสเกิดเป็นเรื่องใหญ่เลยนังานเนี้ยใช่ไหมก็ต้องไปเน้นไปพูดเรื่องมาร์กันอีกทีเดี๋ยวดูหน้าตาของกิเลสความหมายที่2ความหมายหลังบุคคลย่อมไปเกิดทุกข์ทด้วยข้อปริบัติอันเป็นทุกข์อันน้ารังเกียจนั้น น, นีอันนี้หมายความว่า ที่จะไปที่ที่เราจะเข้าถึงนั้นเวลามองคนนะครับไม่ยากแล้วมองตัวเราเองก่อนแล้วไม่ต้องให้ใครพยากรณ์เรานะว่าเราควรจะไปในที่ไหนเราจะรู้ตัวของเราเองว่าตอนเนี้ยการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจของเราเนี่ยมันเป็นทุกติหรือเป็นสุคติถ้าเป็นทุกติแล้วก็พึงหมายรู้เลยว่า คติที่เราจะไปเนี่ยเจ็บปวดแน่นอนแต่จะเป็นสุขติก็หมายรู้ได้เลยว่าคติที่เราจะไปนั้นสว่างลุ่งเหลืองแน่นอนตอนนี้เริ่มเห็น ม, ม, มุมทางช่องทางเดินของตัวเองเริ่มชัดขึ้นไหมอ้าวเห็นชัดขึ้น น, นนะทีนี้คติเนี่ยสุขติก็มี2ความหมายตรงรันข้ามก็เป็นอนว่าอธิบายไปแล้วใช่ไหมการปฏิบัติอันเป็นสุขหรือคติอันเป็นสุขต่อไปเกี่ยวในเรื่องของทุคติ ทุกขติที่หมายถึงภูมิภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากนะมีอยู่4แห่งด้วยกัน 1. นรก 2. สัตว์เดรัจฉาน 3. เป4สอสุรกายนะีคือเรียกวตุติภูมิและน้ที่ไปและสำหรับบุคคลที่การปฏิบัติจะเป็นทุกข์หรือการปฏิบัติที่น่ารังเกียจก็จะไปนี่แหละมีที่อยู่ของพวกเราอยู่4ภูมินี่แหละใครจองตรงไหนไว้ก็ก็เตรียมไว้ คำว่าจองในที่นี้ก็คือข้อปฏิบัติในชีวิตจริงของว่าเราไปยังไงก็รู้อยู่ว่าเราจะควรจะไปตรงไหนเริ่มเริ่มรู้หรื อ, อยังเริ่มรู้หรื อ, อยังว่าเราจะไปตรงไหนเราจะได้รู้แล้วก็ทำความคุ้นเคยก็ไว้ว่าเออเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปที่ตรงนี้แน่นอนบรยษัทนรกในนรกก็มีหลายนะมีเอเวจีมหานรกมีตาปณะมหาตาปณะแล้วก็คือ ในนิรยานนรกนี่มีมหานรก8ขุมด้ยก็ต้องไปดูในเทวทูตสูตรก็จะพูดถึงในเรื่องของความทุกข์ในนรกเป็นยังไงความทุกข์ในสัตว์เดรัจฉานก็มีไปดูในและความทุกข์ในเปรตไปดูในเปรตตวัตถุนะนี่ยขกานิกรายเปรตตวัตถุโอยกลุ่มตัดนรกกลุ่มเปรตกลุ่มอสุรกายเนี่ยจะเห็นเยอะเล ย, เยตรงนี้ก็เพีอ่านดู ทำความเข้าใจอันนั้นคือทุกข์ษัตริย์หมดแหละนะเนี่ยตรงเนี้ยในเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจนี่คือขันอันเป็นทุกข์ที่ต้องประสบความยากลําบากยังไงเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ไปอ่านไม่ไปศึกษาดูแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าคติอันเป็นทุกข์หรือการปฏิบัติที่น่ารังเกียจมันจะไปท่าที่ตรงนั้นแหละการปฏิบัติอันเป็นทุกข์การปฏิบัติที่น่ารังเกียจจะไปที่คติทุกขติภูมิเลยส่วนสุขติเนี่ย หมายถึงภูมิก็คือภูมิมันเต็มไปได้วยความสุขก็แบ่งตามระดับของความสุขต่างกันออกไปนะเช่นมนุษย์หนึ่งเนี่ยก็สุขระดับมนุษย์สวรรค์6 ก, ก็มีจารตมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมานอรดีปรณิมมิสวสวัสวดีชั้นของความสุขก็จะปราณีตไปเรืเ่อยๆๆส่วนถ้าสุขมากกว่านั้นอีกก็พรมมาภูมิ20ภูมิเลยอ๋อเออเนี่พรมมาภูมิตั้งแต่ปฐมฌานภูมิ3 า, า, ามทดีฌานภูมิสา อันนั้นดูยิ่งสุขใหญ่เลยอะไเนี้เลยไม่มีสุกกายไม่มีทุกกายเลยวะงั้นไม่มีเลยเพราะว่ากลมพวกพรมทั้งหลายก็มีแค่จักรครูปัสสาวะโสตปัสสาวคณะปัสสาวไม่มีมีโครงสร้างหูมีอยู่แต่ไม่มีคณะปัสสาวะเออขอไปจมูกคิวหาปัสสาวก็ไม่มีเพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องกินอาหารไม่มีกายะประสาวะเพราะเขาไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัย สุขทุกข์จากปวดพระเขามีความสุขจากฌานสมาบัตินะจากปีติปราโมททั้งหลายเหล่านี้เขาได้นั้นเขาจะมีสุขที่ประณีดมากเขาเอาไว้แค่สองทวารทั้งนั้นทวารตากับทวารหูฟังธรรมบ้ามองสิ่งบปริยะเป็นตัวเรล่านะนี้นะนั้นเป็นสุขที่ประณีดไปตั้งแต่มนุษย์กับกำกลึงกันระหว่างสุขทุกข์พอเทโผม่ก็ไปเอียงไปทางสุขแล้วก็สุขลือล่อๆประณีดไปลื่ๆ เออนี่คือสุขติภูมิภูมิมันเป็นสุขนะทีนี้ในคําว่าทุคติปาติกังข า, าทุคติปาติกังขาเนี่ยหมายกันว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุคติเป็นอันหวังได้อหวังได้ยังไงหมายความว่าเมื่อจิตเป็นเช่นนั้นเมื่อจิตที่เป็นไปกับความทุกข์ อันปฏิบัติอันเป็นทุกข์การปฏิบัติที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นและจิตใจที่เป็นไปกับปรากราคาโทสะโมหะเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตเป็นเช่นนั้นทุกขติเป็นอันหวังได้ก็หมายถึงว่าทุกขติเป็นอันหวังอย่างนี้ว่าเขาจะไปสู่ทุกขติภูมิแน่นอนเมื่อเขามีราคาทโทสะโมหะกุ้มรุมแล้วแล้วเขายืนเดินนั่งนอนทํากิจกรรมของชีวิตด้วยอํานาจของราคาทโทสะโมหะเป็นต้นแล้ว ท่านใช้คำว่าทุกติเป็นอันหวังได้ก็หมายถึงว่าทุกติเป็นอันหวังได้อย่างนี้ว่าเขาจะไปสู่ทุกติอย่างแน่นอนไม่ไปสู่ที่อื่นจากเป็นผู้เกิดแน่นอนในทุกตินั้นนี่ชัดเจนลงไปอย่างนี้นะทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือแล้วอะไรที่ทําให้ใจเศร้าหมองก็เลยบอกอุปกิเลสที่ทําให้ใจเศร้าหมองมี16อย่างมีภริยากระตัสเลยว่า กิเลสที่เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองมีอะไรคือ 1. อภิชาวิสมาโลภะความโลภไม่สม่ำเสมอคือละโมบประการที่2พยาบาทความไม่พอใจ 3. โกธาความโกรธ 4. อุปนาหะความผูกโกรธหรือจองเวนหมักขะความรบหลู่คุณท่าน 6. ปราะความตีเสมอ เจ็ดอิสาความฤิสยา 8. มัชริยะความตนี59เก้ามายาคือมารยาตรงตัวเจ้าเลนเนี่ยสสาเถรยะความโออวด 11. ถเธรรมพะความหัวดือ้อส2สารพะความแข่งดี 13. มานะความถือตัว 14. อติมานะความดูหมิ่นเขา 5. มัทะความมัวเมา16บประมาทะความประมาทเนี่ย สิบหกประการเหล่านี้เขาเรียกเป็นอุปกิเลเพิกษูผู้เป็นผู้มีอุปกิเล์กุ้มรุมทั้งสิบหกอย่างอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นผู้มีทุกขติเป็นอันหวังได้ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ก็คือว่าทำความเข้าใจในเรื่องตั้งแต่แรกเลยอันดับแรกก็คืออภิชาวิสมะโลภะในสัพเนี่ย คำว่าอภิชาวิสมาโลภะเนี่ยที่ก็แปลว่าความโลภความโลภความโลภที่ไม่สม่ำเสมอเขาแปลงั้นน่ะนะยังไรเรียกว่าความโลภที่ไม่สม่ำเสมออภิชาวิสมาโลภะในนี้อ่ะชนทั้งหลายเราได้ย่อมเพ่งมุ่งหน้าสู่สมบัติของบุคคลอื่น <c oughs> ด้วยโลภะนั้นเหตุนั้นโลภะนั้นชื่อว่าอภิชา โลภะอันเป็นเครื่องเพ่งมุ่งหน้าของชนทั้งหลายเนี่ยหรือธรรมชาติย่อมมุ่งหน้าเองเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นเป็นอภิชาคืออภิชาเนี่ยเป็นการเพ่งมุ่งต่อพันธะหรือสมบัติของบุคลบคลอื่นทีนี้อภิชาเนี่ยมีอะไรมีตัณหาที่กะทำสมบัติของบุคคลอื่นให้เป็นของตนนั่นแกเลยนะเวลาเกิดอภิชาขึ้นมาปุ๊บ มันจะมีความรู้สึกว่าน้อมที่จะเอาสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองอยากได้บุตรของคนอื่นอยากได้ภรรยาของบุคคลอื่นได้ยาบุตรสาวบุตรหญิงบุตรชายทั้งหลายเป็นต้นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นยศถาบรรดาศัของคนอื่นเนี่ยการน้อมเอาเนี่ยนะในลักษณะนี้เขาเรียกอภิชาทีนี้มันเกิมาแยก2 ส, ส่วนส่วนที่เป็นวิสมาโลภะกับในส่วนที่มันไม่เป็นวิสมาโลภะ ก็เลยมาแยกในสองส่วนสองส่วนคือแยกยังไงแยกในสองส่วนก็คือว่าอาการที่อุปกรณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเพ่งเล็งอยากได้อยากได้อะไรชันทราคาในพันธะของตนนี่ขยายความนะและพันธะของคนอื่นชันทราคาในฐานะที่สมควรก็คือในสมบัติของตนและที่ถึงชื่อว่าเป็นอภิชานะเช่นว่าเราเกิดอยาก ของของตนเองเนี่ยมีความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงอยู่กับขอ ง, ของตนเองอย่าง น, านี้นะทราบสม บ, บัติของตนเองเป็นอภิชาส่วนการน้อมสม บ, บัติของบุคคลอื่นมาอยากได้สม บ, บัติของบุคคลอื่นแกตียาติของบุคคลอื่นทราบของบุคคลอื่นบุตรภรรยาเป็นต้นของบุคคลอื่นอันเนี้ยอันนี้เป็นวิสมะ ให้คำว่าวิสมะเนี่ยมันจะมีราคะวิสมะก็มีโทสะวิปมัสมะก็มีโมหะวิสมะก็เดีราคะเป็นวิสมะโทสะเป็นวิสมะเป็นต้นเหล่านี้มันก็จะอันนี้คือขยายความนะมันเกิดจากอํานาจของโอโยนิโสนี่แหละความเป็นผู้ไม่ฉลาดคิดนี่แหละมันก็เลยแบ่งแยกอย่านี้มุ่งหน้าวิสมะแปลว่าไม่เหมาะสมในความหมายนี้แปลว่าไม่เหมาะสมพอจะมองเห็นได้นะ หรือถ้าโกรธตนเองอย่างเงี้ยเฮ้ย ก, กรธบุคคลอื่นทั้งหลายแลยเนี่ยเขาวิสมะแปลได้2ส่วนแปลว่าไม่เหมาะสมก็ได้แปลว่าวิสมะในความหมายพิช่าวิสมะโลภะจะแปลถึงลักษณะว่าเป็นความโลภไม่สมเส ม, มอโลภในของตอนเองกัโบโลภในของคนอื่นก็ได้เนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะอันนั้นก็ในความหมายเดี๋ยวค่อยไปขยายความในรายละเอียดแต่ตรงเนี้ยให้รู้เลยว่าองค์คำเขาจะแก่ราคะความกําหนัดนะความกําหนัดความยินดี ความเพลิดเพลินอันนี้เป็นอภิชาแล้วถามว่าอภิชานี่มีอะไรเป็นนั่นก็มีตัณหานี่นเองมีตัณหาเนี่ยแหละมีตัณหาในการกระทําสมบัติทั้งหลายของบุคคลอื่นให้เป็นของตนนั้นถ้าเป็นอภิชานี่น้อมไหมย่งังน้อมมาเป็นของตนนี้เยั ง, ยงน้อมเรียบร้อยแล้วเป็นอภิชาครบกรรมาบทด้วยนะเป็นมโนทุจริตด้วยเมื่อข้อกรรมบทเนี่ยกรรมเหล่าเนี้หนึ่งเป็นทุ ก, กติด้วย นะเป็นเป็นเป็นลักษณะของการปฏิบัติอันเป็นทุกข์เป็นการปฏิบัติที่น่ารังเกียจเทนไหมเรานั่งอยู่ดีๆเนี่ยท่านไหนนั่งอยู่ดีๆปุ๊บแล้วเห็นหมิงใส่นาฬิกามาแค่นี้นะหนึ่งอยากได้แล้วก็ น, นึกว่าจงมาเป็นของเราเถอะอันนี้ครบครอมบทอันนี้เขาเรียกอภิชาวิสมะเนี่ยอภิชาการเพ่งเล็งอยากได้ของคน อ, อ, อื่นมาเป็นของตัวเองครบครอมบทวบได้ ย, ยังครบแล้ว และกรรมเหล่านี้เป็นเป็นเป็นอุปกิเลศที่กุ้งรมในใจเป็นการปฏิบัติอันเบญทุกเป็นการปฏิบัติที่น่ารังเกียจกรรมนี้ให้ผลเมื่อไหร่ก็อบายทุกติวินิบาตในร่มเนี่ยแค่นี้ยอันนี้ก็เป็นความโลภเฉย เป็นความโลภธรรมดาที่ยังไม่ครอบกรรมบทก็เออเราชอบแบบเนี้ยแต่เราจะต้องหาไมาด่ด้วยเรียลแรงด้วยกําลังของเราด้วยความรู้ความสามารถของเราเอออันนี้เป็นความโลภธรรมดาไอ้ อ, อย่างเงี้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นกรรมบทไอ้ อ, อย่างเงี้ยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่เป็นปัจจัยต่อการลงอบายอุบพหรอกแต่ถ้าน้อมเอามาเป็นของตนเองเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วคิดบ่อยๆบ่อยๆบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆริักผู้หญิงคนนี้มากผู้หญิงบางคนรักผู้ชายคนนี้มากแต่เขาเป็นสามีของคนอื่นเป็นภรรยาคนอื่นเนี่ยน่นขอเป็นชู้ทางใจเถอะ เรียบร้อยอยังเ น, นเนี้ยรเรียบร้อยแล้วบ่อยไห ม, มหอเอองนี้นั่นแหละกรรมที่ทาไว้นะสังหารสกันมากเรียบร้อยแล้วก็กรรมอวดเรียบร้อยสันโลกเป็นไปดามกรรมสันโลกเป็นไปตามกรรมโอ้โหไม่เคยรู้เลยว่ามันมันโหดร้ายขนาดนี้เนี่ ย, ยมีการสแสวงหานะมีกะมีภาวะกะแห่งการสแสวงหาโดยอาการอย่างนั้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกิจ โอ้โหเวลาตัณหาเกิดขึ้นมาปุ๊บมันแสวงหาแสวงหารูปที่สวยสวยแสวงหาเสียงที่เพาะเแสวงหากลิ่นที่หอมหอมรสที่อร่อยอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆโอ้โหแสวงหาใหญ่นื้อน้อมที่จะเอามาเป็นของตนเองที่เราชอบสิ่งนี้เพราะสีมันสวยชอบสิ่งนี้เพราะเสียงมันเพาะชอบสิ่งนี้เพราะกลิ่นมันหอมชอบสิ่งนี้เพราะรสมันอร่อยชอบสิ่งนี้เพราะสัมผัสมันนิ่มนเออเนี่ยนะก็แสวงหาเนี่ยอาการของตัณหาอาการของพิชามันจะน้อมอย่างนี้แหละ สแสวงหามองอเข้าใจคํำว่าสแสวงหาไหมในใจนี่นแหละน้อมหาจะเอามาเป็นของตัวเองให้ได้โอ้หนี่น้อมของค น, ค, นคนอื่นก็เอาเนี่ยทั้งๆที่รู้ว่านี้เป็นสมบัติของบุคนคลอื่นก็ยังน้อมเอามาจนได้พอไปเห็นที่เขา ส, สวยๆงามหืมขอให้มาเป็นของเราเถอะบ้าน ง, งามๆขอให้มาเป็นของเราเถอะโอ้โหน่าจะเป็นกันเยอะในโลกเห็นรถคันงามๆวิ่งตัดหน้าไปหืมแล้วขอให้มาเป็นของเราเถอะเนี่ยไอ้นึกอย่างนี้เรื่อยๆน้อมมาหนึ่งชอบสอง ดึงมาเป็นของเรานีเนี่ยมุ่งหน้าสู่สมบัติของบุคคลอื่นเป็นอาการปรากฏแล้วก็มีความยินดีในสมบัติทั้งหลายของบุคคลอื่นเป็นประธานโอ้ยินดีชอบมากบางคนบอกว่าเห็นรถคันนี้แล้วแทบทรงตัวอยู่ไม่ได้เห็นผู้หญิ ง, งคนนี้แล้วทรงตัวอยู่ไม่ได้เห็นสมบัติของบุคคลนี้แล้วแทบทรงตัวอยู่ไม่ได้ยินดีทําไมเราจะได้นะทําไมเราจะได้นะวาน่ากันนยน้อมอยู่นนะกลับมากลางคืนก็มาน้อมคิดโอ้โหแล้วมันกี่ร้อยกี่ล้านเชาวนาเนี่ กรรมแบบนี้ใช่มหมฉะนั้นอภิชาญอมประกอบมีความมุ่งหน้าสมบัติของบุคคลอื่นเท่านั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งแล้วก็เป็นไปก็คือมีการคิดในสมบัติของบุคคลอื่นฉะนั้นเวลาละการคิดเนี่ยกรณีที่มนุษย์ทั้งหลายมีการเหยียดมือไปลักของเขาไปอะไรทั้งหลายเป็นต้นอะไรเนี่มีการกระทามีอุบายวิธีทั้งหลายที่จะไปเอาของเขาเป็นตนเด่นเนี่ยมันใช้อุบายเยอะเลย อ, อย่างยกตัวอย่างดีเอาละเราชอบคนคนนี้หาอุบายไหมไม่ต้องไปเอาให้ได้สารพัดเลยทีนีวน้วางแผนเคยไหมวางแผนผิดก็เอาไม่สนใจโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยพี่ชาวิสมาโลภะมีไหมอุปเ ก, กเลศข้อ น, นี้ถ้ามีอันนี้กระแปลเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตแล้วเมื่อจิตเศร้าหมองมีอะไรเป็นหวังทุกติเป็นอันหวังได้ แน่นอนหรือไม่แน่นอนเป็นแน่นอนเลยเนี่ยต่อไปก็คือโทษะเมื่อกี้แปลว่าพยาบาทก็ได้โทษะมีความดุร้ายเป็นลักษณะโทษะถ้าโทษะนี่ท่านหมิงเข้าใจเลยเอ้ยเจ้าหมิงเข้าใจเลยนะมีหรืออภิชาก็ามีหรือโอ้โห อาโทสะมีความดุร้ายเป็นลักษณะก็คือว่าเหมือนอย่างอสารพิษที่ถูกประหารถูกทุบเหมือนงูที่ถูกทุบมีความกระสับกระส่ายงั้นโทสะนี่กระสับกระส่ายเคยเป็นไหมก็แบบกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายไปจะเอาย่างไงจะเอาอย่างไงสารพัดเลยอยู่ไม่ได้เลยกระสับกระส่ายเหมือนงูถูกทุบเนี่ยนะ เนี่ย <Yeah. S 2> กระสับกระส่ายด้วยอะไรด้วยอำนาจของการความเป็นไปของตนเองและด้วยอำนาจของการยังรูปอันกระสับกระส่ายทั้งหลายความผิดรูปทั้งหลายนะั่นก็เกิดเกิดขึ้นเลยอย่างนี้ว่าบางทีเหมือนกระสับกระส่ายขนาดไหนแต่เห็นชัดก็คือผลปรากฏเหมือนถูกวางยาพิษนะกินยาพิษเข้าไปเนี่ยโหลองคิดดูดูขนาดไหนนี่เหมือนกันคนดื่มโทรสาทุกวันดื่มความโกรธทุกครั้งไอ้ความโกรธและความไม่พอใจไว้ดื่มความพยาบาทนี่นะไอ้สภาพโทรสารเกิดขึ้น พอดื่มเข้าไปโอ้โหกระสับกระส่ายเลยตอนนี้เน้เ น, นถูกวางยาพิษเลยแลวอย่างหนึ่งมองอย่า ง, งคือเผาไหมโทรศัพท์เวลามันเกิดขึ้นเผาไหมที่อาศัยมันเผาไหมที่หายใจวัถุกนกเข้าจะเข้าลามไปหมดทุกอวัยวะเลยเน่ยทั้งไตทั้งปอดทั้งตับ ม, ม้ามไทั้งหลายไลมาหมดเลยตนนี้นะทั้งอวัยวะน้อใหญ่ล้วนั้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไสใหญ่ไสน้อย จนถึงสมองเผาไหม้หมดเลยมันทําให้รูปร่างผิดรูป ผ, ผิดร่างไปเลยวมม่ามันไหม้ผิดรูปร่างเลยมันผิดรูปร่างหมดเลยจากไอคนที่เราเคยเห็นมันจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยสภาพมันเผาขนาดนั้นในโทสารเคยถึงขนาดที่ลืมตัวไหมเคยโกรธแบบลืมตัวไหมคุมเนี่ยคุมตัวเองไม่ได้เลยเคยเป็นไหมประเทศที่ว่า ไม่กลัวอะไรแล้วงั้นเด้ผิดรูปร่างเลยจากคนนิ่งๆเฉยๆยิ้มๆแย้มแจ่มใสเนี่ยมันผิดรูปผิดร่างขึ้นมามันทําเผาไหม้หมดเลยเนียเหมือนไฟไหม้ป่าเลยหมดสภาพเลยโอ้พอมันหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาถามตัวเองเราทําอะไรลงไปนี่เราทําอะไรลงไปนี่นี่ขนาดนั้นนโทรศัพแล้วเรานี่โทษมันขนาดนั้นเนี่ยแปลว่าคอกับบวเรียบร้อยยังเนี่ย เรียบร้อยคิดปฏิทุนสลายคิดฆ่าก็เลยเคยเป็นไหมคิดให้เขาวิบัติเลยคิดให้เขามีอันเป็นไปไอจงนี้จงวิบัติขนาดนั้นเคยขนาดนั้นไหมนะคอยมันจงวิบัติคอยซับมันจงวิบัติคอยอายุมันสั้นคอยมันมีโรคภัยแค่เจ็บคอยมันอย่าได้ผลได้เกิดนึกขนาดนั้นเนี่ยนี่ตัวสาเป็นขนาดนั้นมีนะตัวสา สภาพของโทรสารก็เป็นไปแล้วครับท่านครักายก็ถูกเผาเหมือนไฟเผาป่าดังนั้นมีการประทุสลายเป็นปัจจุบันฐานปัจจุบันฐานในนี้นี่หมายความเป็นอาการเป็นผลนั่นเองศัตรูผู้ได้โอกาสแล้วก็สิ่งที่จะเป็นในเรื่องของโทรสานเนี่ย มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกอาคาตะวัตถุอาคาตะวัตถุ<า>คือไอตัว อาคาตะวัตถุเนี่ยนยขาเรียกว่าวัตถุอันเป็นเหตุให้เกิดโทส ะ, ะวัตถุเป็นเหตุให้เกิดโทสะโอ้โหตรงเนี้ยสภาพโทสะที่จะมองจะให้เห็นว่ามันมันขนาดไหนมันจะได้เห็นชัดเลยว่าไอตัวอาคาทตะวัตถุเนี่ยหมายถึงว่า วัตถุอันเป็นที่ตั้งหรือเป็นปัจจัยเหตุที่ทําให้เกิดโทสะแต่อย่างที่ได้กล่าวไว้บอกว่าไอ้ตัวโทสะเนี่ยมันจะมีการทํากายและใจให้หยาบกระด้างเป็นลักษณะลักษณะของเขาเนี่ยเนะีสภาพโทสะเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้สมรยุทธรรมเนี่ยนะคือจิตและเจสิ่งที่เกิดพร้อมกันกันกบตนเองหนะยาบตอนนั้นใจจะหยาบมากใจจะกร้านมากหยาบกระด้างมาก ก็ทําให้จิตจะเจอได้สิที่เกิดหยาบกระด้างและไม่อ่อนน้อมต่ำตนต่อบุคคลหรือสิ่งของทั้งหลายเลยมันจะไม่อ่อนน้อมเลยตอนนั้นจะแข็งกระด้างแล้มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคลนั้นทันทีเลยไอ้โทสะเนี่เวลาเกิดขึ้นแล้วที่เรามีการดุร้ายเหมือนอสรพิษที่ถูกตีดังที่ได้กล่าวเนี่ยก็ทําให้จิตเนี่ยมีอาการดุร้ายเรื่องอนาจแห่งการประทุษรลายของไอ้ตัวโทสะนี่แหละมุ่งทําลายบุคคลอื่นหรือสิ่งที่ตนเองไม่ชอบเลยใจเนี่ยให้พินาศ หรือให้พ้นไปจากอไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินใครไปนะไม่อยากเห็นอยากมันพ้นๆอยากให้มีบัตรไปเลยอย่างเงี้ยไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากรับรู้ไม่อยากเกี่ยวข้องเลยมันขนาดนั้นเลยเน่บัตุสลายให้พ้นไปจากคลองของตาหูจมูกของตัวเองไปเลยนิสยะทหานารโสเป็นตัวเรามีการเผาที่อยู่ของตนอย่างมันเริ่มเผาจากของหัวใจก่อนนะทีวตถุเนี่ยเหมือนไฟไม่ป่า เวลามันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บมันทำลายที่อาศัยก่อนเลยนะีหัวใจเต้นปืดปดปืดปืดแล้วก็ให้หมดกําลังหรือทําให้ขาดความสืบต่อไปเลยทีนะี้ขณะที่บุคคลโกรธเนี่ยอาการเต้นของหัวใจมันก็จะเต้นแรงแรงแงแรงแรงขึง้นบางคนเนี่ยโกรธจนหัวใจหยุดเต้นขนาดนั้นนี่ยโกรธขนาดนั้นนะนั้นคนที่ช็อกตายอะ่ะก็มาจากไอนน้นี้ยนี่แปลว่าโทรศัพทมันทํากิจทําหน้าที่มันแล้ว คือมันทําให้เส้นโลหิตสมองแตกทําให้ช็อกตายทําให้มีอาการต่างๆเหล่านี้โอ้โหเนี่ยแล้วสังเกตถ้เห็นชัดเมื่อทําให้หัวใจล้มเหลวบางทีทําให้เกินกรงดงุดหงิดแล้วก็หวาดวิตกพอจากการที่ดําบลีอย่างนี้บ่อยๆดัมบลที่เป็นพยาบาทบ่อยๆคิดเรื่องพยาบาทบ่อยๆคิดเรื่องอาฆาตบ่อยๆคิดถึงบุคคลที่เราไม่ชอบเรื่องที่เราไม่ชอบบ่อยๆบ่อยๆจากบุคคลที่ธรรมดาก็กลายเป็นคนโทสะจริตไปเลย เป็นกายเป็นคนโทสะจริตเป็นครูมักเป็นคนมักโกรธหงุดหงิดหวาดวิตกกายเป็นคนโทสะจริตพอกายเป็นโทสะจริตปุ๊บโรคที่จะตามมาเป็นโรคหัวใจก่อ น, นโดยส่วนใหญ่หัวใจมีปัญหาแล้วเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคอื่นตามมาอีกเยอะเลยเนะี่ยอย่างว่าเป็นโรคตาโรคสารพัดหมดเลยท่านท่านบอกว่าเหมือนกับการที่ ที่ว่ากระสรับกระสายเนะี่ยเหมือนกนถูกวางยาพิษคนที่ถูกวางยาพิษลองคิดดูจะดิ้นขนาดไหนะทำให้จิตมีสภาพกระสรับกระสายไม่เยือกเย็นมีความเร่าร้อนเหมือ น, นสอรพิษที่ถูกตีนั่นแหละทีนี้บุคคลที่อยู่ใกล้หรือบุคคลที่ถูกโทสะครอบงํจาจะกระสรับกระสายกวนกวายแล้วก็เดือดเนื้อร้อนใจตลอดไม่หาความสงบสุขไม่ได้ทีนี้เมื่อโทสะเนี่ยประกอบกับโทสะโมรจิต ที่เป็นวิญญาณธาตุที่อาศัยหัตถเย้าูุเกิดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเวลาทำกันวาที่สุดจริงๆนะกลุ่มบุคคลเหล่ า, านี้กลายเป็นว่าโทสะทารรกิจจนชำนาญเลยทีอาการปรากฏเป็นยังไงเหมือนศัตรูได้โอกาสก็หมายความว่าสภาพของโทสะเนี่ยมันเป็นผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจนะไอ้โทสะเนี่ยเหมือนศัตรูที่คอยทาร้ายร่างกายเหมือนคนจ้องเราเนี่ย เราเดินเดินไปดีๆเนี่ยมันเข้ามาทุบเนี่ยเหมือนกันเลยทําให้จิตใจเราเกิดความกังกวลกังวลเหมือนกันว่ากุศลไม่ได้สามารถเกิดได้เลยเ น, นี่เป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเหมือนศัตรูได้โอกาสแล้วก็คือบุคคลนี้เวลาเป็นคนเจ้าโทสะมันผิดปกติมันได้โอกาสมันทุบเหมือนคนถูกทุบเตี๋ยใช่ไหมร่างกายปกติไหมไม่ปกติแล้วนี่เหมือนการโทสะเข้ามาทุบตีคนคนนั้นร่างกายก็ผิดปกติไปเลยจิตใจก็ผิดปกติไป เหมือนศัตรูได้โอกาสมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตเป็นเหตุใกล้เออวัตถุน์เป็นที่ตั้งความอาฆาตเนี่ยก็หมายความว่ามีอะไรบางอื่นึอาฆาตเขาว่าเขาได้เคยทําความเสื่อมเสียให้แกเรามันคิดอย่างนี้นะเออหนึ่งเกิดอาฆาตนึกคิดเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อเห็นสัตว์เห็นบุคคลหรือสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้เดือดร้อนใจ สร้างความไอ้นี้คนคนคนี้เคยทําความเสียให้แกเราคนนี้เคยด่าเราคนนี้เคยว่าเราไอ้ตรงนี้ที่เราไปเนี่ยเราเคยผิดหวังกับเรื่องเนี้ทำให้เกิดความโกรธนรั้นเวลากลับมาประชินหน้าใหม่อีกขึ้นมาเป็นแผงเลยบางทีขนาดพ่อแม่เลยนะขนาดพ่อแม่พ่อแม่ทมําให้เราเสียหายพี่ทําให้เราเสียหายน้องทําให้เราเสียหายเพือ่อนทําให้เราเสียหา ย, ห, ายหรือบุคคลนี่ทําให้เราเสียหาย พอคิดเมื่อไรกันนะเกิดไหมเนี่ยวัตถุนิพพิทังเองอ า, อาคาติวัตถุวัตถุนิพพิทังความโกรธนั้นเวลาปุ๊บเห ม, ม่อนคิดเบียดเบียนไม่พอใจคิ ด, คดประทุสลายทันทีเนี่ยเพราะเขาได้เคยทําความเสื่อมเสียแล้วนี้บางคนคิดต่อเนะว่าพราะคิดว่าเขากําลังทําความเสียหายก่นเราพอเห็นใครสักคนปุ๊บหรือสิ่งของสักคนปุ๊บเนี่ยไอคนนี้กําลังทําความเสียหายก่นเราเมื่อกี้เคยใช่ไหม อันนี้เป็นปัจจุบันการกําลังทำเคยเห็นไหมเคยเคิดไหมอีกคนคนนี้ทำความกําลังทําแล้วเนี่ยเขาทําแบบนี้ไอ้ทําหน้าตาแบบนี้ทํากิริยาแบบเนี้หวังนั่นเถอะเนี่ยพ่เห็นอย่างนี้พวกเขากําลังทํานําความเดือดร้อนมาสู่ตนบางทีเนี่ยมันจะปรุงแต่งในขนาดนั้นทันทีประการที่สามก็คืออากาตพาคิดว่าเขาจักทําความเสียหายกับเรวิ่งอนาคตไหม วางแผนไปไอ้โถสาวิ่งเบนาคนเราเนี่ยคนเนี้ยต่อไปถ้ามันเดินออกอย่างนี้ไปมันจะต้องไปนินทาเรามันจะต้องไปด่าเราจะไม่หวังดีกับเราเนี่ยจะสร้างความเสียหายแก่ตนเองนี่เป็นเหตุอย่างที่ทําให้รู้ว่าบุคคลเนี้ยกําลังทําความเสียหายบุคคลนี้จัดทําความเสียหายอะไเดี๋ยวนี้โกรธก็เกลียดก็อาฆาตขึ้นมาเชื่อถ้ามันเดินไปอย่างนี้ไปเนี่ยมันไม่เคยพูดดีกับฉันเนาะมันจะต้องไปจัดการเห็นไหมทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทีนี้ ประการที่สี่อาคาตว่าคิดว่าเขาได้เคยทำความเสื่อมเสียกับคนที่เราลักโอ้เนี่ยเราลักใครลลักพ่อแม่ลักปู่ตายา ย, ายายลักพี่เนาะเขาเคยเขาเคยด่าพ่อเราด่าแม่เราด่าคนที่เรารักเคยไหมเแบบเนี้ยเคยไม่โทรศัพท์าาเพศนี้เคยเกิดไหมมีทุกแบบเลยไหมประการที่ห้าเขากําลังทำความเสียหายให้กับคนที่เราลักโอ้ไอ่ไ่ฉันเคยครั้งหนึ่งเนะีย มีคนตําหนี่แม่โอโหโกรธเลยเดไปจัดการเลยเงี้ยแล้วเห็นกําลังด่าอยู่พอดีเดี๋ี้โอโหชัดเลยเดี๋ยนี้นี่กําลังแล้วก็เขาจับทำความเสียหายไอ้คนที่เราเราโกรธไหมเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะจัดแล้วเขาจะตำหนีพ่อแม่เราเป็นต้นเราเนี่ยเนี่ยอัปรกรณที่เจ็ดซึ่งน่าเกลียดกว่านั้นก็คือว่าอาฆาตเพราะอะไรไหมเขาได้เคยทําประโยชน์แก่คนที่เราเกลียดชัง เออประหลาดมันไปขนาดนั้นนะไ อ, อคนนี้เราไม่ชอบเนี่ยเราก็บอกเพื่อนและบอกเฮ้ย อ, อย่าไปอย่าไปทำกับมันอย่าไปอยู่อย่าไปพูดดีกับมันใช่ไหมใจดันไปพูดก็เราโอ้โหนี่ยเขาเขาได้เคยทําประโยชน์เราได้ข่าวไหมน เ, นเคยไปช่วยงานเขากอดไหมเนี่ยคนที่เราเกลียดไปช่วยเขาทําไมไปดีกับเขาทําไมไปพูดดีกับเขาทําไมไปหาเขาบ่อยๆทําไม โกรธอีกโกรธไม่โกรธและเขากําลังทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดชังเห็นกับตาเลยเนี่ยโอ้เห็นเขาไปตักน้ําช่วยบางไปถือหนังสือช่วยบางไปขับรถให้อู้โกรธเลยเนะแล้วก็เขาจัดทาประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดชังเออไอ้นี้มันกำลังจะทําประโยชน์ให้เราที่เราเกลียดชังเห็นไหมประการที่10อาการด้วยเหตุ อะไรรู้ไหมเล็กๆน้นอยๆเช่นเดินไปสะดุดตอโกรธโกรธไหมแล้วเกิดบรันรดาลโทสะเกิดความโกรธเกิดความไม่ชอบใจเกิดความหงุดหงิดลาคาญใจแล้วเป็นด่าไม่รู้จักหลบเดินไปเตะกระถนเคยเห็นไหยคนเว่นี้เราเคยเป็นไหมล่ะไอ้โทสะเวลาเกิดขึ้นโอ้โหมันเป็นขนาดว่า ย, ยกตัวอย่างเช่นใบไม้ร่วงบ้านรกจัดของไว้เรียบร้อยไม่ถูบ้านตื่นขึ้นมาในเวลาคนนอนกันไม่ยอมทำอะไรกันเลยงดงิดเยอะไหมฮะในเรื่องประจําไอ้ควบกลุ่มโทสะจรลิตจะเป็นลักษณะเงี้ยโทสาก็ย่มเกิดโทสาทนี่นหมายถึงจิตที่มีความไม่ชอบใจเสียใจ ก, มมก้มลงงุหมิเป็นต้น โกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างความอับอายขายหน้าเป็นต้นเหลา่านี้พยาบาทก็เกิดพระพุทธเจ้าบอกโทโสโหติ์โทสะย่อมเกิดมีพยาปาโทโหติ์พยาบาทก็ย่อมเกิดมีโดยหลักฐานบอกว่าโทสะย่อมเป็นมูลเหตุให้เกิดพยาบาทเพราะพยาบาทแปลว่าเป็นเหตุให้ถึงความชิบหายใช่ไหมเป็นเหตุให้ถึงความชิพหายหรือเข้าถึงความเสียหายอย่งจิตอาวจะทำระเบียบวินยัยกิริยามารยาท อ, าอวิวัตรร่างกายได้ประโยชน์เป็นต้นให้ถึงความพินาศไปเนี่ยนั้นอาคาร ทีนี้ประเด็นต่อมาคือพูดถึงในเรื่องของาอาคาตวิรัติสิประการก็คือคิดเสียว่าการที่เขาได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราก็ห้ามเขาไม่ได้วิธีห้ามอย่างนี้นะวิธีที่จะวางใจนะว่าโอ้เราห้ามไม่ได้หรือคิดเสียว่าการที่เขากำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราก็ห้ามเขาไม่ได้คิดเสียว่าการที่เขาจะทาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ คิดเสียว um, ่าการที่เขาไม่เขาได้ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักก็ห้ามไม่ได้หรือคิดเสียว่าการที่เขากําลังทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักเนี่ยก็ห้ามเขาไม่ได้หรือคิดเสียว่าเขาได้ทําประโยชน์แก่บุคคลที่เราเกลียดชังเราก็ห้ามเขาไม่ได้กําลังทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดชังเราก็ห้ามไม่ได้ หรือจักทําประโยชน์ให้คนที่เราเกียดชังเราก็ห้ามไม่ได้หรือคิดว่าการที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือโดนนั้นโดนเนี้มันก็ห้ามไม่ได้ดถ้าคิดในลักษสาเนี้ยมันจะทมันเท่าได้ระดับหนึ่งโทสะนี่ น, ะนี่คำพูดที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเขาเรียกวิคคาหิกะคาถาเนี่ยท่านไม่รู้ทำวินยัยข้าพเจ้ารู้ทำวินยัยท่านจะรู้ทำวินัยอย่างไรท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิดเราเป็นผู้ปฏิบัติถูกไอการเถียงกันลักษณะนี้เดี๋ยวโกตรกันเนี่ย ลักษณะของผู้ที่หนักในโทสะ6ประการ น, นะนโกโทเป็นผู้มักโกรธหงุดหงิดลำคาญใจง่ายแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรถือเอาเป็นสาระก็เป็นเรื่องใหญ่โตโกรธกับฟัดกัเพียโดยไร้เหตุผลเนี่ยประเภทอลไเป็นไหมเป็นอีกสองอุปนาหะเดี๋ยวก็จะมีในอุปกรณ์นี่แปะวัวโกรธแม้ความผิดเล็กน้อย มันไม่ได้หนักสาหาัสซะการอะไรแร้วแต่เมื่อโกรธแล้วปุ๊บผูกไว้นาน เ, เอามาผูกไว้อยู่นั่นแหละความดีที่เขาเคยทําต่อกันถูกความโกรธเพียงเล็กน้อยลบล้างเกลี้ยงเลยทีนี้พอมาคิดปัน่นปั่นปันปันปนปนป่นไปเรื่อยๆนะเขามีกําลังมากยขยายได้ยากให้อภัยได้ยากบางคนเนี่ยผูกไว้จนตลอดชีวิตเลยใครเป็นแบบนี้ไหมผูกความโกรธไว้ตลอดไอ้นี่นปัญหานี่ยและอุปนัหาและผู้โกรธ ประการที่สามารถขะรลบหลู่คุณท่านก็คือเป็ น, นบุคคลที่เจ้าโทสะเนี่ยเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วก็ขาดสติไม่พิจารณาให้รอบครอบแม้บุคคลนั้นมีบุญคุณกับเราเนี่ยก็ลบล้างบุญคุณนั้นเสียสิ้นคิดดูถูกเจียดยม้มความชั่วความผิดเล็กๆน้อยๆก็ขุดออกมาประจานให้เขาได้รับความเสียหายเนี่ยหรือมุ่งทำลายบุคคลนั้นให้พินาศเฉ เอออันนี้เขาเรียกมรคะลบลูกทางที่เขามีคุณนะนะยกตัวอย่างไหนว่าเอาเหมือนเนี้ยเหมือนว่าเออเราเดินเดินเดินไปแล้วเออเนี่ยมากินน้ำหน่อยสิเขามีคุณกันาะต่อมาเขามีความผิดเลยโกรธเลยคุณที่เขาเคยทํากับเราลืมหมดแล้ะอิศสาคือรทิษยาคือบุคคลที่เจ้าโทาสานเนี่ยเป็นคนมักริษยาในทรัพย์สมบัติและคุณความดีของบุคคลอื่นเห็นบุคคลอื่นได้ดีแล้วมันทนไม่ได้ อิจฉาตาร้อนเนี่ยนะไม่ต้องการเห็นให้คนอื่นมีความสุขหรือไม่ต้องการให้คนอื่นประสบความสําเร็จประการต่อมาคือมัมชฉริยะตนีมักตนีหวงแหนทรัพย์สมบัติห่วงแหนความดีของตนเองห่วงแหนที่อยู่บ้างห่วงแหนคุณญาติมิตรเป็นต้นอะไรนี่รายละเอียดเยอะตรงนั้นบุคคลที่อยู่อย่างเป็นทุกข์เนี่ยมี6ประการนะหนึ่งบุคคลที่อยู่ด้วยกรารมววิตก ว่าหมกมุ่นในกามเนี่ยอยู่เป็นทุกเนืมักตรึกนึกแต่เรื่องกามการเสพกามอยู่เสมอหมกมุ่นในกามมีความงุ่มงานอยู่ในจิตใจไม่เป็นสุขเราดิ้นรนแสวงหากามมาคุณมาเสพอยู่เสมอเมื่อได้เสพตามที่ต้องการแล้วก็เกิดอาการหลงไหลแต่เมื่อไม่ได้เสพตามที่ต้องการล้วทุรนทุรายด้วยไม่ได้ของเหมือนคนบ้าก็ลคนบ้ากามบ้ากามคืออยากจะได้รูปที่สวยๆมาเสพ เสียงที่เพรา ะ, ราะกลิ่นเดี่ยมหอมรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆเอามาเสพเอามาบ่มบ่เลยถ้าไม่ได้กวนกระวาดวุ่นวายอยู่นี่แหละเอเสพทางหูไม่ได้เอาทางตาหมกมุ่นทางตาอย่างให้ทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างมันจะวิ่งวนมันอยู่อย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเป็นไหมกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกกามวิตกะบุคคลที่เป็นผู้อยู่ด้วยกามวิตตก มีการมุยตกเผาร่นดิ้นรนตลอดเวลาเลยเคยเห็นไหมคนแบบนี้เค ย, ยเป็นเลยใช่ไหมอพยาบาทวิตากาก็เสติบุคคลที่อยู่ด้วยพยาบาทวิตกตรึกถึงแต่เรื่องที่ทําให้เกิดความโกรธความอาฆาตความพยาบาทความจองเวรหาวิธีการไปทุจร้ายบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นที่ตนเองไม่ชอบใจเมื่อตรึกนึกถึงเรื่องนั้นก็เกิดความโกรธเกิดความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นมาอยู่เสมอกล า, ายเป็นคนจองเวรหาวิธีการที่จะประทุจร้ายบุคคลอื่น หรือสิ่งที่ตราเองไม่ชอบทําไงมันย่อยยับให้มันวิบัติไปเนะี่ยดิ้นทุรนทุรายเหมือนงูพิษถูกเตเี๋ยเป็นไหมอาการแบบเนี้ยมิยงเป็นไหมโอ้โหเป็นทุกแบบเลยวิหิงสาวิตร ก, กะเกนนะคือบุคคลที่อยู่ด้วยวิหิงสาวิตร ก, ก็คือบุคคลที่มุ่งทําร้ายเบียดเบียนบุคคลอื่นในสิ่งที่ตราเองไม่ชอบด้วยนําความโกรธไม่พอใจนี่นะอยู่ไม่เป็นสุขสแสวงหาเรื่องทะเลาะวิวาด จะทำร้ายบุคคลนั้นจะทำร้ายบุคคลนี้คิดเบียดเบียนก็ตลอดเวลาเพราะงั้นเดี๋เป็นไมอมกลุ่มเนี้ฮะไม่เคยเป็นใช่ไหมเอากรมสัญญายติอะบุคคลที่อยู่ด้วยกามสัญญาก็หมายถึงบุคคลที่ตัดความคิดในเรื่องกามไม่ได้ไอ้สัญญามีกําลังมากที่ก็ไปหมกมุ่นในกรรมมาแล้วก็เอามาหมุนมาคิดเนี่ยโอ้โหติดในสัญญาเป็นกรมวิเป็นกรรมมาสัญญา โดยมีสําคัญว่าการสามารถทําให้เรามีความสุขได้และจะจําแล้วก็จะหาวิธีการทํำยังไงมันสุดแบบสุดสุดซึ้งเราจะต้องเสพกามคุณให้สมปรารถนาหรือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังปรารถนาก็เกิดเก็บความรู้สึกทะเยอทะยานอยาก ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยทตเนี้ยและแสดงอาการกระสับกระส่ายเพ้อหาการอยู่เสมออยู่ไม่เป็นสุขเคยเป็นไหมการมสัญญา จำว่าเราเคยทาอย่างนั้นอย่างนี้ไว้เบศเสร็จปุ๊บเอาละเราจะมาเกี่ยวข้องกับกามาคุณให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปหาวิธีการว่าจะทําไงมันสุกมากกว่านี้หมอกมุ่นในการเสพกามเกี่ยวข้องการมาคุณจะต้องทําให้มันวิจิตบรรจงให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่มาจากการมาสัญญาจําหมายในกรรมมันก็มาปรุงแต่งเป็นไม่เป็น เป็นยังไอภยบาทสัญญายติอภยาบาทสัญญายเสยติบุคคลที่อยู่ด้วยพภยาบาทสัญญาก็คือยังตัดความคิดอาฆาตพยาบาตจองเวนไม่ได้จําแม่นไอคนนี้เคยทําอะไรกับเราเคยด่าเราเราเคยไม่พอใจยังไงเคยทะเลาะ ก, กันบางทีนู้นั่นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเห็เด็กนั่เรียนนะยังจําได้อยู่เลยเจอหน้ากันยังหมายตาอยู่เรื่อยเลยเป็นไหมอภยาบาทสัญญา หรือว่าคิดทีไรก็เมตตาเขาทุกครั้งโอ้นีอันนี้เป็นพยาบาทสัญญานะแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยนะย่อมอยู่ไม่เป็นสุขมีความกระสรับกระสายแห่ง จ, จิตใจกิริยาก็หยาบกระด้างมีการลุกริกงุ่นง่านไม่สงบบุคคลประการทว า, าวิหิงสาสัญ ญ, ญายะเสติบุคคลที่อยู่ด้วยวิหิงสาสัญญาก็คือว่าบุคคลที่ยังตัดความคิดเบียดเบียนไม่ได้ ยังยินดีชอบใจในการเบียดเบียนล้างผานกันพอใจทำาหารชอบดูบูล้างผานในกลุ่มเนี้นเห็นคนนั้นวิบัติโอ้โหชอบอกชอบใจพวกนั้นเห็นคนที่เราไม่ชอบวิบัติขึ้นมาสมมติเราไปดูอะไรต่างๆ่างอนี่ยนะดูมวยบ้างดูกีฬาที่มันเบียดเบียนกันทําให้คนอื่นวิบัติทําให้คนอื่นแพ้ทําคนอื่นประสบความเจ็บปวดแล้วก็เนี่ ก, กรณีแบบนี้พยาบาทสัญญาเนี่ยแต่วิหิงสาสัญญาคิดให้เขามีอันเป็นไป แข่งขันกันก็ขอให้มันมีอันเป็นไปเราชนะให้กลุ่มเราชนะฝ่ายเราชนะคุณคิดด้วยความโกรธอาฆาตไม่ความไม่ชอบใจหาเหตุผลล้างผ่านเสมอเป็นไหมตัวเนี้ยเออโทษที่มันเกิดจากความโกรธ8ประการก็คือ1ปิุ่ปีาวนวาจาหน่นคือการกล่าววาจาสออเสียใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นหรือสิ่งที่ตนเองไม่ชอบใจ ทำให้บุคคลเกิดความเสียหายทําให้หมู่คณะแตกแยกแตกสามัคคีอย่างเงี้ยประสบความทุกข์นานนัประการต้องการให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นที่วางไว้วางใจคนทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครจงรักภัก ด, ดีตายแล้วไปตกนรกในกะลุ่มนี้นะตกนรกเป็นที่ถูกดูหมิน่นพอตายเพราะหลังจากมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถูกใส่ร้ายตลอดเนี่ยโทษที่เกิดจากความโกรธนเนี่ยนะใช่ไหมเพราะโกรธแล้วก็ไปทําปิดสนาวาจาพูดเช่นว่าเห็นไนกับหมิง ดีกันเนี่ยไปเขาทําไมมิคนขี้โกรธตัวนั้นทั้งอีกคนเนี่ยเฮ้ยมิงอยู่เขาทําไมนะนี่เป็นคนกลาง ม, มาสุขหาริการนโยกหมกมุ่นในกลาเหมืออยู่ครบเลยวะแดีวเสียใหญ่แล้วยิ่งเราขี้โกรธอยู่แล้วยิ่งไปครบกันยี่ไ ป, ปใหญ่เลยเนีย่เคยมีตัวเดียวก็นหนักแล้วเพิ่มอีกตัวนึวงมอะงั้นออกออกาเลยแตกกันเลยเนี่ยสองคนนี้แตกกันเ่ยเนี่ ย, เ, ยเห็นไหมจากโทรศัทที่ไม่พอให่ทั้งคู่นี่และเขาพวดนี้ก็แตกกัน ประกาศกันเนี่ยโอ้โหพอมาเกิดเป็นตกนรกมาเกิดเป็นมนุษย์โอ้โหถูกใส่ร้ายใบสีตลอดเลยอยู่ดีๆเข้าข้อกับใส่ร้ายใบสีแล้วเขาไม่รู้เหตุรู้ผลนี่ยนะสอทรยศก็คือบุคคลเจ้าทศศามีใจเบื่อสลายผู้อื่นอยู่เสมอแสดงอาการทรยศบุคคลอื่นบุกคูม่มีคุณนะคนที่เป็นมิตรกด็ดีไม่อนุโมทนานในทราพสมบัติหรือคุณความดีของคนอื่นนะมีแต่ทะยานอยากให้ได้ดีกว่าคนอื่น ตีตัวเสมอท่านมีความมักใหญ่ไ่สูงด้วยยกตนข่มท่านด้วยจะมาตรงนี้แหละบุคคลเช่นนี้ยอมได้รับแต่ความทุกข์ความเด็ดร้อนอยู่เสมออยู่เป็นสุขไม่ได้มักหาเรื่องใส่ตัวหาความเขาเรียกว่าหาชั่วใส่บุคคลอื่นตลอดว่ากันเถอะจนไม่มีใครอยากจะครอบคราสมาครัสุดท้ายก็กลายเป็นคนไรยศหมดตําแหน่งไรที่พึ่งอยู่เป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้ตายไปก็เข้าสุขส บ, บายทุกขท์ทีวิถีบารในลก ประการที่3มความมุทะลุดุดันมุทะลุดุดันก็คือว่าคนมีโทสะใจก็อยากประด้างใช่ไหมไม่อ่อนน้อมแสดงอาการมุทะลุดุดันไร้เหตุผลขาดปัญญาในการพิจารณาเหตุผลให้ถี่ถ้วนจิตก็มักจะทําสิ่งต่างๆลงไปโดยพลการมีแต่ความเสียหายความเดือดร้อนเกิดมาตลอดเลยเนี่ยมาจากความมุทะลุ ด, ดุดันประการที่4ี่ก็ริษยาดังได้กล่าวว่าโอโ้เห็นคนอื่นได้ดีทราบสมบัติคนอื่น ทนไม่ได้ αι, ไม่พอใจไม่ต้องการเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จในชีวิตเดี๋ยนั้นความโกรธที่แฝงอยู่นี่แหละเป็นริษยาอิจฉาก็คือปรารถนาลามกมีความปรารถนาให้บุคคลทั้งหลายจงรักพักดีสวามิภักดิ์ต่อตอนเองคนเดียวเคยเป็นไหมนะเอออยากให้คนอื่นมาสไวงภักมารักตนเองเท่านั้นแหละไปรักคนอื่นไม่ได้เหมือนกักเหมือนพระเจ้ากะลาปุใช่ไหม ที่บอกว่าบริวารตนเองไปหาคันติวัธีดาบทโอ้โหอิจฉามากเลยบริวารของเราต้องอยู่กับเราต้องมาจงรักฟักดีกับเราทําไมไมาห้อมล้อมไอ้ดาบว่ขี้โกงคนนี้โอ้ตายใหญ่เลยแต่เนี้ยเนี้ยรักในอิจฉาชิงดีชิงเด่นเนีทะยานจะอยากานอยากไม่รู้อย่างพอหาโอกาสในการที่ชิงดีจิงแล้วก็ด่าทอด่าทอด่าทอคือว่าเป็นคนมีจิตใจชั่วปากล้าอยู่แล้วสั่งสมเก็บกดความไว้ในใจ เป็นคนทะเยอทะยานมักใหญ่เพรสูงเนยนะมองคนอื่นผิดหมดคนอื่นตำต้อยคนอื่นใช้ไม่ได้เงั้นนะเป็นคนมีสายยาบกระด้างนี่แหละข้อสุดท้ายก็คือพฤทธสวาสดิ์งั้นคนมีโทศศาสตร์จะเป็นคนที่พูดหยาบพอพูดแล้วรู้สึกสะใจเว็นยู่คนนึงอยู่ตรงจังหวัดไปวินาบาทโอยพูดหยาบมากแล้วพูดก็มองมาทางพระพระเดินวินาบาทอยู่นี่แหละพูดอยู่คนเดียวดา่าแบบคำหยาบหยาบตลอดเวลาจิตใจหยาบกระด้างไม่อ่อนโยน แสดงออกมาเป็นความอยาดจนติดเป็นนิสัยพูดอ่อนหวานไม่เป็นฝึกขัดดัดนิสัยได้ยากกลายเป็นคนไร้คุณค่าเลยคนดีไม่อยากเข้าใกล้เคยเป็นไหมจะพูดยังไงนะให้มันให้มันสะใจให้มันหยาบสุดๆนะว่านคนโทรสารจะเป็นแบบนีนะ้เคยอยู่ใกล้คนโทรสารเราเป็นเองเราจะรุยนะ่ย มูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาดก็มาจะเป็นคนมักโกรธมีการผูผโกรธลบหลู่แล้วก็ตีเสมอวิริสสยาแล้วก็มีตะหนีโอ้อวดแล้วก็มีมายาแล้วก็มีปรารถนาลามก mm hmm. เห็นผิดเนี่ยนะแล้วก็มีความหมั่นเพียน ย, ยึดมั่นในความเห็นของตนมักอวดดื้อถือรั้นถือในความคิดของตนเองเป็นใหญ่เปลี่ยนได้ยากเลยไอ้ตรงนี้ก็คือเนี่ยลักษณะของความโกรธมีเยอะเลยเนี่ยนะที่บอกว่า บุคคลนั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยเป็นคนมักโกงอาฆาตยาบาดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เป็นคนใจร้อนวู่วามกลายเป็นคนปมดออยของตนเองเลยทีนี้เป็นไหมใจร้อนวู่วามเป็นไหมเป็นไม่เป็นสองก็คือเป็นบุคคลที่มีความคิดไม่สุขุมรอบคอบความไม่สุขุมรอบคอบเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัดทับแคบมีสติปัญญาตื้นเขินนี่แหละคิดอะไรไม่สุขุมไม่รอบคอบคิดได้แต็มคิดได้ แค่ตาที่มองเห็นขาดวิจรารณญาณที่จะพิจรารณาว่าอะไรจะเกิดหรือไปเกิดในข้างหน้านก็ปัส้ายอารมณ์ที่มากระทบตลอดเวลาประการที่3เป็นคนมีการศึกษาน้อยหมายความว่ามีประสบะการณ์ชีวิตมาน้อยมีความบริเรียนรู้น้อยมีสติปัญญาตื้นเขินคับแคบด้วยไม่รู้เหตุผลของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหลงไหลไปตามความคิดเห็นที่ผิดพลาดเนี่ยเป็นตัวอะไรเนี้ยปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสและสังคม ด้วยเหตุนี้ก็กลายเป็นคนเกลียดบ้างกลัวบ้างอับอายบ้างหงุดหงิดลำคาญทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนั้นการศึกษาหรือประสบการณ์ชีวิตนี่สําคัญมากคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะๆเจอทั้งสุขทั้งทุกข์มามากๆมีวิจารณญาณในการคิดเนี่ยพวกนี้จะไม่ขี้โกรธแต่คนอยู่แต่คับแคบเนี่ยไปทํางานที่ทํางานกลับบ้านแล้วก็วนอยู่งั้นนะ่ะประสบการณ์ชีวิตข้างนอกไปอยู่ใครมคาก่อได้มองออกใช่ไหมแต่ละคนที่โอ้โหเคยผ่านสถานการณ์อะไรมามากๆจะเป็นคนไม่ขี้โกรธ เรื่องในดีก็เคยมีมันก่อนไปที่ที่รพบุรีอาจจะผ่านบ้านของเจ้าพยาวิชัยเยแลประวัติของเจ้าพยาวิชัยเยเนี่ยเขเป็นกรีกใช่ไหมคือฝรั่งฝรังเออมาเนี่ยคนคนนี้อายุสิกว่าแล้วก็มีประสบะการณ์มากไปอยู่ตามเมืองต่างๆไปอยู่ตามที่ต่างๆรับจ้างแล้วนักเข้านักเข้าเรียนรู้ทั้งแรกได้ทั้งหลายภาษา ภาษาฝรั่งเศสก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษามรายูก็ได้ภาษาไทยก็ได้พูดภศาสาไทยชัดมาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยคิดโกงและในทางต้นกันข้ามของเราออกหลวงสุรศักดิ์เนี่ยคนไทยเราเนี่ยต่อมาเป็นพระเจ้าเสือวิจารดนินี่คนที่โกะมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยกโกรธออกหลวงออกเจ้ายาววิชัยเยนเน็นนะว่ากันว่กโกรธมากที่เจ้ายาววิชัยเย็นทําให้พลาดี่ศึกออกไปเวยอะ เอาผ้าสื้อเขมาเยอะมาทํางานมาอะไรต่างโอก้ก็โกรธขับแคบในด้านจิตใจนาะไม่รู้จะแก้ปัญหาไปทุนบอกพระราชาพระราชาก็ไม่ไม่ว่ากันเลยไม้โกรธใหญ่พอ ก, กลับมาได้จังหวะโอกาสนะเข้าไปในที่ทํางานของเจ้าพยาวิเชัยเย็นโชคเลยเล่นจะคว่ำโตมกับที่ฟันเปือนหลุดเลยเจ้าพยาวิชายเชียนก็ไปป้องวิชาบินตอนนั้นตอนนี้ก็หนีใหญ่เลยที่หนีหนีไปหาแม่นก ใช่นะแล้วก็มีเรื่องมีแล้วแต่มาก็โอ้โหพระเจ้าแผ่นดินก็หนักใจมากอยู่เนี่ยกรณีอย่างนี้เราจะเห็นชัดว่าคนที่ร่วงการเขาผ่านสถานการณ์มาเยอะเจอเหตุการณ์อะไรบางบ้ากเขจะเป็นคนไม่ขี้โกรธขอมอารมณ์ด้วยแต่คนที่มีประสบะการณ์น้อยอยู่ในบ้านเมืองตนเองอย่างเดียวก็อยู่ในที่ถูกเลี้ยงดูโดยสภาพสังคมอย่างนั้นด้วยแล้วก็อยู่ในสถานการสูงโดยคนขี้โกรธเขาใจยังมองออกไหม อัน น, นี้เล่ามาไม่ได้เพื่อทำหนีแต่เ ล, เล่าเพื่อเห็นมุมว่าจริงๆแล้วนะประสบการณ์น้อยเป็นเหตุศึกษาน้อยนี่นแหละเป็นเหตุบนนุคคลขี้เกลีดเป็นบุคคลที่ไม่ประสบหรือได้ประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่เสมอโอ้โหไอ้ตรงนี้เป็นเหตุให้เกิดโทสะนะเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีสีที่สีเ ส, สียงกลิ่นรสทํางหลายเนะี่ยสิ่งสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเนะี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปอยู่ในในที่ที่เขาฆ่ากันนะี่ อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นอิสราเอลยิวโอ้โหเนี่ยกลุ่มยิวบางคนี่หวาดระแวงอยู่โอ้โหล้อมไปด้วยอิสลามเห็นไหมบาไลสไต น, นี่เนี่ยฉันถึงขนาดว่าทำอะไรด้วยความเครียดพวกนี้หนึ่งลงน้ำต้องขับเรือได้ทุกชนิดมันสอนกันขนาดนั้นอยู่บนบกต้องขับรถได้ทุกชนิดแม้กระทั่งรถถังก็สามารถขับได้สุกสอนกันขนาดนั้นขึ้นไปบนฟ้าต้องสามารถขับเครื่องบินได้ทุกชนิด มันก็อยู่กันด้วยความเครียดเลยเนี่ยต้องป้องกันแต่ว่าโหมันก็มาอีกอย่างหนึง่งทําให้เก่งนะแต่ในขณะเดียวกันเครียดไหม <S <S เครียดโทรศัพท์มีกำลังพอเขาฆ่าแล้วหนึ่งแล้ต้องจัดการเขาให้ได้สิบไม่อถูกปกฝังอย่างนั้นเลยไอ้นี่ความกระโดดมีกําลังไหมเนี่ยนั่ันน่าจะดีนะจริงๆนะมองอีกมุมหนึ่งก็ดีทําให้เป็นคนเก่งฝึกผลพัฒนาตัวเองทุกด้านแต่อีกด้านหนึ่งเสียหายเลยใช่ไหมเสียหายตรงที่ขี้โกรธได้ประสบ กับอาคาตวัตถุดังที่ได้กล่าวมานะี่ยอ า, าตะวัตถุวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธทั้งหลายเลยนี้เป็นตัวนี่โทว่าสารนี่มีเยอะหมดเลยนะส่วนอุบายในการที่จะละพยาบาทเขว่ากันอีกางดีในด้านของอุปกรณ์ เ, เนี่ยอย่ประการต่อมาก็พูดตัวอื่นบ้างเนาะในตัวอื่นก็คือตัวโกทะความโกรธก็อันเดียวกันเมื่อกี้กล่าวไปายละเอียดแล้วมีความดุร้ายพยาบาท โท้อสัโกทะอุปน้าหาเนี่ยโผู่โกรธก็ได้พูดไปแล้วมีความไม่สลัดทิ้งเลยมีความยึดมั่นกับความกโกรธนี่ตัวนี้ต้องระวังนะเนี่ยหมิงต้องระวังตัวนี้อุปนาหานี่โผล่โกรธเนี่ ย, กกยท่านใช้คําว่าโผโกรธไว้มั่นคงคือยึดไว้อย่างมั่นคงเป็นลักษณะเลยแล้วก็ไม่ยอมสลัดทิ้งด้วยแล้วมีการเข้าไปโผลโกรธซ้าๆ ซ, ซากๆจนเป็นอาการปรากฏเป็นผลออกมาเลยว่าไง ก็มีความโกรธก่อนๆ น, นั่นแหละมาเป็นมาเป็นเหตุเป็นเป็นปัจจัยโกรธครั้งแรกเลยกโกรท่าใช่ไหมโกรธครั้งหลังๆต่อมาเรื่อเป็นอุ ป, ปนาิหาคือผูกโกรธมักขะก็ลบหลู่คุณของบุคคลอื่นมีการทําคุณของตนเองเนี่ยของบุคคลอื่นให้พิน่าด้วยแล้วก็ปกปิดคุณของบุคคลอื่นเขาทําดีตั้งเยอะแยะไม่มองแต่ไปมองสิ่งที่เสี ย, สยของเขานี่ยแหละอันนี้ก็เรียกมักขะ ก็เห็นไม่คนประเภทนี้ความดีของเขาไม่ไม่เอามาพาาลัลนาเราปิดไว้เลยไม่ยอมมาเล่าทั้งๆ ท, ท, ที่รู้นี่แหละปิดเฉยเคยเป็นไหมไอคนนี้มันมีความดีตั้งเป็นสิๆอย่างเนี่ยเราปิดเฉยแต่เอาแต่ความเสียมาพูดโ อ, อ, อ้ดูมันเป็นคนฉลาดนะเนี่ยพูดแง่ไ อ, อ, อ, อพวกนี้กลุ่มนะักการเมืองทั้งรวะวังเวลาจะด่าใครเอาเสือ่อส่วนเสียเสียเขามาด่าความดีเขาไม่ยอมมาพันนามสาสรรเสริญเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ย ปกปิดคนนี้เรื่องมรรคค์ปราร า, าสาก็คือมีการถือคู่เคียงกันเป็นลักษณะมีการกระทําซึ่งคุณทั้งหลายของตนไว้ให้เสมอกับคุณทั้งหลายของบุคคลอื่นบอเออเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นฮะหมิงไปเห็นคนเออคนนั้นก็ดีนะโอ้ก็พอๆกันนั่นแหละผมก็ทําได้เนี่ยอย่างเงี้ยไอ้กรณีแบบเนี้เอา้าเฮ้ยเขานั่งสมาธิโอ้ผมก็ได้มีปัญหา ไอเขาบินธบาติไอเขาฉันมือเดียวได้ผมก็ได้นี่ก็ถือผ้าสามผืนผมก็สามผืนว่างั้ น, นเถอะไ อ, อเนี่ยตีตีเสมออย่างนี้ประลาสันเทียบคู่กันเลยว่างั้นเขาไม่มีข้อมูลโอ้โหผมก็ฟังมาเยอะแยะหมดผมฟังหมดแล้ววินัยก็ฟังพระสูตรก็ฟังพระวิธรมก็ฟังฟังมาหมดทั้งโลกผมก็รู้เผอผมจะดีกว่าอีกเจ้านั้นอีกเคยไหม ไอ้การตีเสมอแบบเ pay? นี้ยเนี่ยอิ ส, สาก็เกิดทำสมบัติของบุคคลอื่นให้สิ้นไปลิษยาเนี่ยทนไม่ได้เห็นคนอื่นเขาเอ้ยคนนั้นันหน้าตาดีนะรับไม่ได้หรือว่างั้นทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่จะเห็นคนหน้าตาดีมาอยู่ใกล้ๆทนไม่ได้คนที่มีเสียงไพเราะมาอยู่ใกล้ๆทนไม่ได้คนที่เขารวยกว่าทนไม่ได้ที่เขาฉลาดกว่าโอ้ทนไม่เลยรู้ส เป็นไม่เป็นลิสเซตอนไม่ได้เฮ้ยคนคนนั้นมันไปที่ไหนมันได้รับการยอมรับได้มากกว่าโอ้โหเนี่ยตัวนี้แหละเป็นกิเลสของจิเนยนะมีความไม่มีก็คือไม่ยินดีแม่อภิรม์เลยไม่มีอภิรติเลยว่างั้นในสมบัติของบุคคลอื่นเห็นเขาประสบความสมําเร็จโอ้โหมันรู้สึกชอบช้าใจจริงๆ ทำไมวะเรียนมาด้วยกันไอเจ้านี้มันทำไมทำประสบความสําเร็จทุกคนทำไมแย่ yeah, เลยไม่อยากไปมองหน้ามันเลยไม่อยากไปหามันด้วยรู้สึกอ้ายมันวะเคยเป็นไหมเนี่ยตรวเนะี้ยเนี่ยอิจฉาเป็นปฏิปักษต่อต่อต่อมุทิตานะมีความเบือนหน้าหนีจากความสําเร็จของบุคคลอื่นเะเบือนหน้าหนีไม่อยากมองมันเลยไอตัวนี้ไปเห็นการขัดแย้งไปเห็นการ กระทบกระทั่งน้มัฉริยะก็คือซ่อนเล้นสมบัติของตนนซ่อนเล้นสมบัติของตน<ม>ใหญ่ต้นนี้คุณสมบัติภายในด้วยนะประมาณนี้ต้นนี้ตนนัตอเองรู้ข้อมูลรู้อะไรทั้งหลายเลยในะห่วงไม่บอกเขาหรอกห่วงเลยแบบนั้นสมบัติภายนอกก็ห่วงไม่อยากใครมาแตะต้องที่นั่งตัวเองยังห่วงเลยตัวเองจัดที่นั่งไว้แล้วโอ้ มีใครมานั่งปุ๊บแค่นั้นหัวใจเราหายวับเลยแค่ไปนั่งแป๊บเดียวก็ยึดแล้วใช่ไหมบางคนเนะเช่นบางคนลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วมีคนมานั่งที่นั่งนั้นแทนเป็นไงชื่นใจเลยไหมถ้าคนนี้ไม่มีมาจะได้เอาชื่นใจโอ้โหเราได้ให้ที่นั่งเป็นทานแล้วโอ้โหยโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีเหลือเกิน <c oughs> มีความชื่นใจไหม รู้สึกอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันลุกไปแป๊บเดียวมานั่งที่ฉันได้ไงทะเลาะ ก, กันตายเลยใช่ไหมนี่ยมัจฉริยะนี่ขนาดนั้ น, นมีความทนไม่ได้ความที่ที่อสมบัติของตัวเองจะเป็นสาธารณะกับบคุคคลทั้งหลาย <c oughs> เอาเนี่ยอย่างที่อยู่ตรงเนี้ยบอกว่าอ้าวาวันดีคืนดีมีคนอา้าวเชิญเลยครับมานั่งตามสบายมาใช้ของตานี้ตามสบายเลยเรามีความรู้สึกขัดเคืองไว แค่เรามาอยู่แค่แป๊บเดียวแคน่นี้ขัดเครื่องไหมเอ้าขัดเครืองเลยโหตายแล้วไอคนนั้นก็เล่นไอคนนั้นจับนั้นคว้างไปคว้างมาเล่นไปเล่นมาโหใครอยากจะนอนก็นอนใครอยากจะดื่มก็ดื่มใครอยากจะกินก็กินแล้วชื่นใจไหมโอ้เข้าจะได้ไี่พักที่ที่พักสบายๆก็จะได้มีน้ําดื่มก็จะได้มีอากาศเย็นๆอยู่หรือรู้สึกขัดเครื่องขึ้นมาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้อตายกูต้องมาถอยเนี่มัจจริย่างขนาดนั้นเลยนะ มองเห็นใช่ไหมขัดแย้งมาเลยเนะห่วงถิ่นห่วงที่อยู่ห่วงประเทศห่วงพวกพร้อมเผ่าพันธุ์ห่วงลาบสกาละห่วงเสียงสารเสริญเยินยอนห่วงข้อมูลความรู้ห่วงหมดนนเนไหว่างเ้อเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมีหน้ามีความสยิวหน้า โดยความทำความที่สมบัติทั้งหลายของตนเองเป็นสาธานโอ้โ ห, หน้านิ้วคิ้วขมวดทันทีพอกลับมาปุ๊บไอในห้องของเราอ่ะมีคนไปนอนสบายสมนติเนี้ยพอเปิดประตูก็ไปปุ๊บมีใครรูยนอนใช้ของเราแบบสบายเลยรู้สึกมูที่ตา ก, กับเขาเลยหรือว่าสยิ้วหน้าเลย <laughs> เครียดเลย <laughs> ใช่ไหมเมียง เอาแค่ของของเราอ่ะที่เราสะพายมาพอมาเป็นชุดปุ๊บเนี่ยจะนายเอาเทกองไว้เงี้ยเนี่ยเห็นไหมมัจฉริย่างขนาดนั้นเลยต้องระวังเนี่ยมีความเป็นเสื้อเกาะกที่รัดกลุมเป็นปัจจุบันฐานเหมือนเสื้อเกาะเหมือนเสื้อเกาะเกาะเข้าไว้ไม่ยอมปล่อยว่าของเราของเราของเรา มีอะไรเป็นเหตุใกล้กับมีที่อยู่อาวาสสินประเทศเป็นต้นมีพวกพ้องมีลาบสการะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีข้อมูลตนเองเนี่ยบอกว่าแมมผมไม่เสียดายไ p a d เลยผ ม, มเสียดายไอข้อมู ล, ลน <c oughs> ี่ยิงก็คือเสียดายนั่นแหละบอกโววางนั้นนะบางคนไอโทรศพัพท์ iPad หายไอแ d ดหายไอโฟนหาย โอโ้ผมบอกเอาไปเฮอไอแพดไอโฟนเนี่ยจะขอข้อมูลนึงนี่พยายามเห็นไหมเนี่ยพยายามจะพูดให้ดูดีว่าตนเองไม่ตะหนีที่จริงนห่วงทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมล่ะไม่พูดทำไมก็ไไปลู้ไอมัจฉริยะนี่ขนาดนั้นเลยเนะโอ้โหไม่ห่วงเลย อ, อย่างนั้นนี่เนี่ยมีคนมาลักหนังสือไปผมห่วงอยู่เล่มเดียวแค่ น, น, น, นั้นเดีวกันนะเลยมาพูดแต่ดริงมัห่วงทุกเล่มนั่นแหละนี่เป็นตน้น มายาต่อไปก็มามีการปกปิดบาปปกปิดบาปก็คือมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตของตนน่ที่ตนทำไว้แล้วเป็นรักษณะนี่พวกมายาเสคือเป็นคนไม่ดีจริงแต่เสียแซ่งแง่ดีอะเวลามาบวชอยู่นะโดยสงบเรียบร้อยปิดบาปที่ทำมาเรียบร้อยไม่อยากให้ใครรู้นี่คือมายาเนะ่ปกปิดบาปเนี่ย ลักษณะในภาษาศาสนาเวลาทําบาปเขาเปิดเผยแต่นี่ปิดปิดความชั่วตัวเองไว้ <c oughs> พรทาบริษัทใจมาปิดบาปตัวเองดังนั้นอะไรเป็นมายาก็เลยเฮ้มายาเราไปเข้าใจกันผิดกันเยอะใช่ไหมมีไหมปิดบาปทําบาปแล้วปิดเนี่ยตนเองไปทําชั่วไว้เยอะหมดปิดไปหมแล้วแต่บอกแต่สิ่งดีๆตัวเองนะเปิดแต่สิ่งที่ดีๆไอ้บาปมันปิด มีไหมนิสัยแบบนี้มีไหมนั่นแหละอย่างนี้เรื่องมายาเราตรงทีเรานึกว่ามายาเป็นเฉพาะหญิงใช่ไหมนึกว่าผู้ชายไม่มีที่ไหนได้โอ้เรานี่โคตรมีเลยบางทีมีเยอะเลยที่มายามีการปิดทุจริตตัวเองไว้มีการซ่อนเล้นบาปที่ตนทําไว้แล้วนั่นแหละเป็นซ่อนด้วยนะเป็นกิดด่นโดยหน้าที่เขาเป็นอย่างเนี้ยถ้ามีใครมาซักถามไปเสร็จปุ๊บ กบเกลือนี่เป็อาการปรากฏกอบเกลือ น, นอาารระพูดสนิทนิดนึ่งไม่ได้พูดหมดหรอกกอบเกลือนิดนึงมันก็มีกันบ้างว่างั้นนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จ ะ, มจะไม่เคยทําผิดมาเลยแต่ทั้งหมดเลยกอบเกลือนั่นแหละนี่คนรักนามายาจะเป็นยังงี้ยมิงมีไม่มีมายาเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าเล่เนี่ยมายาเขาเรกว่าเจ้าสาเธอ ย, ยะเอาทีนี้ Okay. สาเถยะมันแปลว่าอะไระเคยได้ยินศัพท์นี้ไหมสาเถยยะมีการประกาศคุณความดีมีศีลเด็นต้นที่ไม่มีอยู่ในตนเองวิลักษณะนี่เคราะหสาเถยยะเป็นคนชอบประกาศตนเองโอ้ยสมัยก่อนผมเป็นคนเรียนเกง่งสมัยก่อนผมเป็นคนขยันสมัยก่อนผมเป็นคนโอ้ยชอบช่วยเหลือคนอื่นสมัยก่อนผมทําตรงนู้นตรงนี้มาเยอะ โอ้ยประโยชน์ทั้งหลายผมทำมาเยอะเนี่ยโหยเนี่ยว่างั้นเถอผมช่วยเขาตรงนั้นช่วยเขาตรงนี้ต่างๆประกาศความดีองตัวเอ ง, งไงที่มันไม่มีอยู่หรือมีนิดบางทีมีบางทีมีอยู่นิดเดียวเช่นมีอยู่เพียงเล็กๆน้อยๆแล้วประกาศเลยประกาศขุนตัวเองเประกาศซะเกินจริงไงที่สาเทียเป็นอย่างนี้นะมีการพูดเป่งขึ้นมา แห่งคุณทั้งหลายที่ไม่มีอยู่เหล่านั้นนะเป็นกิจโอ้โหทําพูดตลอดเลยว่างันมีไม่ไ ม, มีแล้วกรรมการต่อมามีการทําคุณทั้งหลายเหล่านั้นให้ปรากฏมีการพูดมีการแสดงท่าทางอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสาเทยะเป็นแง่ประกาศคุณความดีของตนเองที่มันไม่มีอยู่